ต่อไปที่ปฏิบัติธรรมเราจะต้องอยู่ในป่าในป่าที่ของป่ามาดูแลอยู่ในป่าสงวนอยู่ในป่าอนุรักษ์เพราะมันจะไม่มีป่าเหลือถ้าไม่มีป่ามันก็ไม่มีไม่มีธรรมที่ที่เกิดของธรรมะก็คือป่านี่เกิด<ม>ที่เกิดของพระพุทธเจ้าของพระอรหันต ป่าจึงเป็ น, เ ป, นเป็นสถานที่สำคัญเป็นแหล่งผลิตพระพุทธเจ้าพระอรหันต์พระ อ, าา ร, ร, ะอริยบุคคลเป็นที่เกิดของพระพุทธศาสนาไม่ว่ายุคใดสมัยใดก็ตามต้องมีสถานที่สงบสงัดวิเวกห่างไกลจากแสงสีเสียง ห่างไกลจากรูปเสียงกลิ่นลบผลตภะเพราะว่ารูปเสียงกลิ่นลบผลตภะนี้เป็นเหมือนยาเสพติดนี่เป็นยาเสพติดดีๆนี่อย่าว่าเหมือนเลยเป็นยาเสพติดที่ทําให้สัตว์โลกต้องเสพต้องติดอยู่ต้องกลับวนเวียนกลับมาเสพรูปเสียงกลิ่นรสอย่างนี้อยู่เรื่อย ผู้ที่จะปฏิบัติเพื่อให้หลุดพ้นต้องคำหนึ่งถึงข้อนี้เป็นสำคัญเราเราอยู่ใกล้แสงสีเสียงไม่ได้ใกล้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะไม่ได้ต้องสำรวมอินทรีย์สำรวมตาหูจมูกลิ้นกายเวลาที่อยู่ใกล้สำรวมก็คือต้องห้ามต้องบังคับใจไม่ให้ ไปหาถ้าอยู่ใกล้ก็ต้องพยายามอย่าเข้าใกล้อย่าอย่าอย่ารับรู้อย่าไปให้ความสนใจถ้าได้ยินก็ให้ให้ได้ยินเฉยๆถ้าเห็นก็ให้เห็นเฉยๆ ถ, ถ้าเห็นแล้วได้ยินแล้วไม่เฉยก็ต้องอย่าไปเห็นอย่าไปได้ยินใช้สติช่วยด้งเอาไว้ กิจรรมพุทธโธพุทธโธไปจึ่เวลาเดินไปตามศูนย์การค้าอย่างนี้พยายามพุทธโธพุทธโธไปไเราเดินจงกรมขอให้คิดว่าร้านค้าต่างๆนี่เป็นเหมือนต้นไม้เป็นเหมือนป่าเราไปเดินป่าเวลาเราเดินป่านี้เราจะไม่เกิดอารมณ์เกิดความโลภเกิดความอยาก เวลาเราไปเดินตามศูนย์การค้าเนื่องจากอาจจะมีความจําเป็นต้องไปซื้อสิ่งของบางอย่างที่สําคัญที่จําเป็นต่อการดํำรงชีพเช่นไปซื้อกับข้าวกับปลาอาหาร mm hmm. ก็อย่างนี้ก็ต้องไปซื้อตามศูนย์การค้าต่างๆ mm hmm. ก็ขอให้คิดว่าเราอยู่ในป่าหาอาหารได้แล้วกัเดินห า, าหารในป่าเก็บผักเก็บผลไม้ อะไรในป่าของอย่างอื่นก็อย่าไปคิดอย่าไปให้ความสำคัญอย่าไปเห็นแล้วเกิดความโลภเกิดความอยากขึ้นมาเหมือนเราเข้าไปเก็บผักเก็บผลไม้เก็บอะไรในป่าเราก็เก็บแต่ผักผลไม้สิ่งที่เราต้องการส่วนต้นไม้ต้นอะไรข้าอะไรอย่างอื่นเราก็ไม่ได้ให้ความสำคัญ นี่หมายถึงผู้คนที่ยังต้องอยู่ในอยู่ใกล้กับแสงสีเสียงอยู่ใกล้กับรูปเสียงขิงมดวิธีที่จะปฏิบัติเพื่อไม่ให้ เ, เกิดอารมณ์เกิดความอยากขึ้นมาแต่วิธีที่ดีที่สุดก็คือสั่งเขาทางโทรศัพท์ดีกว่าไม่ต้องไปเองวันนี้ก็มีร้านค้าที่บริการรับส่ง สินค้าต่างๆที่เราต้องการโทรไปบอกเขาก็ได้ว่าต้องการอะไรอย่เสียเงินดีกว่าเสียใจเสียเงินมันเป็นของต้องเสียอยู่แล้วเดี๋ยวมันก็ตายก็จากไปก็หมดไปแต่ใจนี้เสียแล้วมันเอาอคืนกลับมาลาบากต้องรักษาใจต้องสวนใจเหมือนกับเป็นรูปรักของเราเลยไม่ให ไม่ให้แสงสีเสียงมาพาคลูกเราไปต้องห่วงไม่ยอมให้ใครมาเอาลูกเราไปง่ายๆต้องรักใจของเราเหมือนรักสามีรักภรรยาต้องห่วงต้องห่วงต้องห่วงใจอย่าไปห่วงอย่าไปห่วงสามีอย่าไปห่วงอย่าไปห่วงภรรยาเพราะเขาไม่ได้เป็นของเรา ห่วงยังไงห่วงยงไงเดี๋ยวเขาก็ต้องจากออกไปแต่ใจของเรานี่ไม่มีวันจากออกไปใจของเราอยู่กับเราไปตลอดถ้าเราไม่ห่วงไม่ห่วงเราก็จะได้ใจที่ไม่ดีใจจะเสียใจจะเสียเพราะจะเป็นเหมือนคนติดยาเสพติดจะต้องคอยหา แสงสีเสียงหารูปสเสียงกลดิ่นรสโหดทะพามามาเสพอยู่เรื่อยๆดังนั้นจึงควรที่จะหนีออกจากแสงสีเสียงออกจากรูปสเสียงกลดิ่นรสให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ควรจะตั้งเป้าไว้เลยก็ได้ว่านี่คือเป้าหมายของชีวิตเราเราต้องอ อยู่โดยที่ไม่ต้องมีแสงสีเสียงไม่ต้องมีรูปเสียงกลิ่นรสเพราะว่ามันเป็นยาเสพติดดีๆนี่เองและเป็นยาเสพติดที่เป็นตัวที่คอยดึงให้เราต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่ตายไปแล้วก็ยังมีความหิวความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสรสทัศน์ภาอยู่ก็ต้อง กลับมาเสกกลับมาเกิดใหม่ก็จะไม่มีวันที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้เลยเราต้องสำรวมอินทรีย์เริ่มต้นด้วยการรักษาศีลแปอยู่ที่บ้าน รักษาได้ไม่ต้องไปที่วัดไม่ต้องไปเปกวิเวกถ้าเราตั้งเป้าไว้แล้วมันเป็นสิ่งที่ไม่ยากเกินไปหรอกเ<ม>นื่องการรักษาศี่งแปดนี้<ม>คือไม่ได้หมายความว่าตั้งแล้วก็ต้องทำทันทีทันใดแต่ตั้งไว้เพื่อที่จะได้มีแนว มีจุดหมายปลายทางที่เราจะได้ก้าวไปสู่จุดนั้นเช่นศินข้อสาตอนนี้เรายังรักษาไม่ได้เพราะเรายังมีสามียังมีภรรยาอยู่อันนี้ก็ก็เขามีวันหยุดบ้างเห็นวันพระอันนี้ก็ขอหยุดสักวันถ้าไม่ฉะนั้นก็มากกว่า น, นั้นก็ได้กําหนดไว้เลยว่า จะรักษาอาทิตย์ละหวันแต่นิยารักษาอาทิตย์ละวันก็เอาหวันวันหนึ่งก็ยกให้ให้เขาไปถ้าเรายังมีข้อผูกพันยังมีความจำเป็นที่จะต้องต้องรักษ า, าสัญญาที่เราให้ไว้ ถ้าเกิดวันดีคืนดีเราเป็นอิสระได้อยู่คนเดียวเราจะได้อยู่อย่างสบายถ้าเราอยู่หกวันโดยที่ไม่ต้องไม่ต้องอมีคู่นอนเจ็ดวันคือเพิ่มมาอีกวันหนึ่งก็คงยังไม่เป็นปัญหาเลยควรจะพยายามพุ่งเป้าไปสู่การรักษาศูนย์แปด ให้ได้มากวันที่สุดให้มากกว่าการไม่รักษาอย่างน้อยถ้าเดือนหนึ่งก็ต้องสิบห้าวันขึ้นไปใหม่ๆก็เดือนละสี่วันอาทิตย์ละวันวันพระถือสิแต่ต่อไปก็เพิ่มเป็นอาทิตย์ละสองวันอาทิตย์ละสามวันเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆมันจะได้ก้าหนะ้า ไม่ได้ให้ทำทันทีทันใดให้ได้เต็มร้อยให้ค่อยๆเพิ่มไปทีละเล็กทียน้อยทำทีละเก้านี้มันง่ายกว่า mm hmm. เดินวันละเก้านี้มันง่ายกว่า mm hmm. เดินวันละร mm ้อยเก้าถ้าเราไม่คิดจะเริ่มเลยมันก็จะไม่มีวันเริ่มมันก็จะติดอยู่ที่เดิม ก็จะไม่มีวันที่จะเจริญก้าวหน้าทางนี่หมายถึงสำหรับผู้ที่ยังคองเรียนอยู่ควรที่จะรักษาศินแปดอย่างน้อยที่สุดก็วันละครั้งอาทิตย์ละครั้งแล้วก็เพิ่มขึ้นไปตามลำดับแล้วก็เวลารักษาสินแปดก็ต้องภาวนาให้เข้มข้นมากกว่า วันปกติในวันปกติเราอาจจะต้องไปทำมาหากินทำงานทำการเราก็อาจจะมีเวลาเพียงเฉพาะตอนเช้าก่อนจะออกทำงานหรือตอนค่ำหลังจากที่เสร็จภารกิจต่างๆตอนจะหลับนอนเราก็ภาวนานั่งสมาธิสัก30นาทีสักชั่วโมง ถ้าเราบอกว่าเราไม่มีเวลาเราก็ต้องหาเวลาเพราะเวลามีเท่ากันวันละยี่บสี่ชั่วโมงถ้าไม่มีเวลามาภาวนาก็แสดงว่าเราเอาเวลาไปใช้อย่างอื่นเราก็สํารวจดู ว, ว่าเวลาที่เราเอาไปใช้นั้นเราไปใช้กับอะไรถ้าไปใช้กับแสงสีเสียงก็ควรที่จะตัดมันลงมาเช่นดูละครดูอะไรต่างๆ จะลดจำนวนมันลงมาแทนที่จะดูสองชั่วโมงสามชั่วโมงเอาแค่ชั่วโมงเดียวเอาแค่ของที่มีสาระมีประโยชน์เอาของที่ยังจำเป็นจะต้องรับรู้อยู่เช่นข่าวสารเหตุการณ์ต่างๆตัดไปแ้่เรื่องพวกบันเทิงต่างๆจะได้มีเวลา ภาวนาได้จะได้นอนหัวค่ำได้นอนหวัวค่ำมีเวลาก่อนจะนอนก็มีเวลาสักชั่วโม ง, งนั่งสมาธิเชา้าก็ตื่นขึ้นมามีเวลาสักชั่วโมงก่อนที่จะไปทําภารกิจการงานต่างอันนี้ถ้าถือศีห้ถ้าวานาันนั้นถือศีลแปดก็ตัดไปหมดเลยเรื่องมันเธอเรื่องการดูโทรทัศน์ ดูอะไรต่างๆมาดูหนังสือธรรมะแทนเาฟังเทศน์ฟังธรรมแทนแล้วก็ไม่ไปทำงานได้ก็เอามาเดินจงกรมนั่งสมาธิัเดินจงกรมนั่งสมาธิสลับกับการทำภารกิจที่จำเป็นเล็กๆน้อยๆอยู่ใ น, นบ้านกวาดบ้านถูบ้านเช็ดบ้าน ทำอาหารรับประทานอะไรต่างๆที่จำเป็นจะต้องทำนี่ในวันที่เราไม่ต้องไปทำงานนอกบ้านลองเขียนโครงการขึ้นมาเขียนตารางขึ้นมาว่าวันหยุดนี้เราจะทำอะไรที่จะได้เป็นคุณเป็นประโยชน์กับจิตใจของเรา ถ้าไม่นั่งเขียนโครงการเลยมันก็พอถึงเวลามันก็ไม่ได้ทำนั่งเขียนโครงการเลยเดินขึ้นมานั่งปฏิบัติธรรมหนึ่งชั่วโมงห ล, ลังจางกา น, านั้นก็ดูแลรักษาร่างกายอาบน้ำอาาแปรงนแปลงฟันอะไรทำอะไรไปรับประทานอาหารทาอะไรไปเสร็จแล้วว่างแล้วก็เดินจงกรมต่อบางคนพอเมื่อยแล้วก็นั่งสมาธิต่อ พอเมื่อแล้วก็มาเปิดดูหนังสือบ้างก็ได้ฟังเทศฟังธรรมบ้างก็ได้ถึงเวลารับประทานอาหารก่อนเที่ยงประทานไปจากเที่ยงก็ไม่รับประทานอาหารแล้วเดินโงกลมรับประทานอาหารแล้วง่วงนอนก็พักสักชั่วโมงเขียนตารางไว้เลยจนะัด ไว้จำไว้เลยพอตื่นขึ้นมาน่เดินจงกรมสักชั่วโมงนั่งสมาธิสักชั่วโมงฟังเทศฟังธรรมสักชั่วโมงอ่านหนังสือสักชั่วโมงนก็เกือบเย็นละามสี่โมงเข้าขวานบ้านทูบ้านทำอะไรก็ทำแล้วก็อาบน้บท่าเสร็จแล้วก็มาเดินจงกรมนั่งสมาธิ เดินถึงเวลาจะเข้านอนลองลองเขียนตารางดูบ้างแล้วดูที่ว่าจะทำตามที่เราเขียนได้ไหรือเปล่าถ้าเราเขียนแล้วเราทำตามได้มันก็จะมันก็จะไปมันไปด้วยการปฏิบัติไปด้วยการกระทำเราจึงต้องคอยดูการกระทาเราอยู่เสมอว่าตอนนี้เรากำลังทำอะไร กำลังทำประโยชน์ให้กับใจหรือว่ากำลังทำประโยชน์ให้กับอะไรกันแนะ่ถ้าเราไม่วาดไม่เขียนโครงการไม่วางเขียนตารางกำหนดเวลาเลยปล่อยให้เป็นไปาตามอารมณ์รับรองได้ว่ามันไม่มาทางนี้แน่นอนอารมณ์เราไม่มาทางนี้มันจะไปเปิดตู้เย็นถ้ามากกว่า ตู้เย็นแล้วเด็กก็ไปเปิดทีวีเปิดทีวีแล้วเด็กก็ไปพักหาหมอนเมื่อตื่นขึ้นมาก็อ่าปลอดตู้เย็นใหม่ปลดทีวีใหม่มันมันต้องมีอะไรที่จะทําให้ต้องบังคับให้เราทํา เราต้องบังคับตัวเองให้ได้ต้องมีวินัยในตัวเองไม่มีวินัยในตัวเองก็ไม่มีวันที่จ ะ, จะเจริญก้าวหน้าได้เพราะไม่มีใครจะมาคอยควบคุมบังคับเราได้ตลอด24ถ้าไม่มีใครก็อยากจะมาควบคุมเราด้วยเดี๋ยวก็จะโกรธกันเกลีดกันเปล่ า, าเราต้องควบคุมบังคับตัวเราเอง อมองถึงผลที่เราจะได้รับจากการควบคุมบังคับตัวเราเองว่ามันไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะวิเศษเท่าไม่มีอะไรจะวิเศษเท่ากับมรรคผลนิพพานทํางานที่เศจแล้วสบายแล้ไม่ต้องทํำไปไตลอดเลยไม่ใช่แต่เฉพาะชาตินี้เท่านั้นไม่มีงานอะไระต้องทําอีกต่อไป ไม่ต้องกลับมาเกิดไม่ต้องกลับมาดิ้นนอนทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงทง้องหาเงินหาทองมาซื้อความสุขแล้วก็มาทุกกับความแก่ความเจ็บความตายงานเหล่านี้เราจะไม่ต้องทำอีกต่อไปมีแต่ความสุขตลอดเวลาไม่มีความทุกข์เลย คิดอย่างนี้แล้วมันก็จะมีกําลังใจมีความกล้าหาญมีความเข้มแข็ง ม, มีความภาลี่ยิมีความอดทนอันนี้แหละเป็นเป็นทางที่จะพาให้เราไปสู่ความลุดทนจากความทุกข์ทั้งหลายพาให้เราไปสู่ความสุขที่ถาวร ที่ยังยืนเริ่มต้ น, นจากการปฏิบัติที่บ้านไปก่อนเพราะเราอยู่บ้านเนี่ยตลอดเวลาถ้าเราจะคอยไปตั้งหลักเวลาที่เราไปปฏิบัติที่วัดมันไปถึงวัดมันก็หมดแรงแนละ้วไปเทิงวัดมันก็หมดแรงพอจะปฏิบัติเข้าร่องเข้ารอยได้เหมือนกับรถพอจะวิ่งหน่อยก็ต้องจอดอีกแล้วต้องกลับบ้านอนะีกแล้ ก็จะสาตาร์ทรถได้ก็ต้องไปเช็คแบตเช็คน้ำน้ำมันเช็คอะไรเติมน้ำมันเติมแบตเติมอะไรอีกเติมลมอีกพอรถจะวิ่งได้ก็หมดเวลาแล้วต้องกลับกลับบ้านอีกแล้วเพรา้เราต้องทำที่บ้านไปก่อนไม่งั้นเราจะไม่มีเวลาทำเจียดเวลาทำที่บ้านไปก่อนเอาเวลาที่ใช้ไปกับ เอพวกบันเทงต่างๆถ้าเอามาไม่ได้หมดก็เอามาสักครึ่งหนึ่งก็ยังดีแบ่งมาสักครึ่งก่อนสะลัดละครก็สักเรื่องสองเรื่องละครก็น้ําเน่าดูไปแล้วก็ดูแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้มันก็เรื่องของ ของของของมนุษย์เรานี่แหละเรื่องโลภโกรธขงเรื่องอิจฉาลิษยาเรื่องอาฆาตพยาบาทเรื่องผิดศีลผิดธรรมดูกันไปทำไมดูแล้ไม่ได้ทำให้เกิดปัญญาที่ไ น, นไม่ได้เกิดความเบื่อนหน่ายไม่ได้เกิดความสมุกสังเวชดูธรรมะดีกว่าดูหนังอ่านังสือธรรมะ ภาวาปฏิบัติธรรมดีกว่าถ้าเริ่มทําแล้วมันก็มันจะไปของมันเองพอต่อไปปฏิบัติที่บ้านแล้วรู้สึกว่ามันชักจะไม่ไ ม, ไม่ไม่มีเวลาปฏิบัติแนละ้วทีนี้ก็ต้องไปอยู่ที่วัดบ้างพออยู่ที่บ้านเดี๋ยวก็มีธุระนั้นธุระนีเนน้เรื่องนั้นเรื่องนี้มาคอยรบกวนมาคอยแย่งเวลาไป พอปฏิบัติได้ผลบ้างแล้วมันก็จะเริ่ม เ, เห็นคุณค่าของการปฏิบัติและเห็นโทษของการไปทำภารกิจอื่นๆที่ไม่จำเป็นเื่งการหาเงินหาทองที่มากเกินความจำเป็นนี้ก็เป็นโทษไม่ได้เป็นประโยชน์เพราะไม่รู้จะเอาเงินทองมาทำอะไรถ้าเรามีเงินทองพอกับการดูแลรักษาชีวิต ดูแลร่างกายแล้วมีมากกว่า น, นั้นมันก็มีแต่จะเป็นโทษมากกว่าเป็นคุณเี่เอาไปเที่ยวไปหาซื้อความสุขก็เหมือนไปซื้อยาเสพติดน้อยที่จะเอาไปทำประโยชน์เช่นเอาไปทำบุญแต่ถ้าเราไม่มีเงินจะทำบุญเราก็ไม่ต้องทำ เราก็จะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปทําบุญเราต้องการภาวนาซึ่งเป็นบุญที่ใหญ่กว่าม า, มากกว่าบุญที่ได้จากการทําบุญให้ทานเรามารักษาศีลแปลดดีกว่ามาภาวนากันดีกว่า ต, ตัดเวลาทาเงนินให้มันน้อยลงไปอย่าให้มีเงินมาก ให้มีเวลามากดีกว่าเวลามีคุณค่ากว่าเงินทองถ้าเรารู้จักใช้เวลาให้เป็นประโยชน์นี่เวลาจะมีคุณค่ายิ่งกว่าการหาเงินหาทองได้เป็นหมื่นล้านแสนล้านเพราะเงินทองหมื่นล้านแสนล้านนี่มาดับความทุกข์ไม่ได้แต่ถ้าเราเอาเวลามาปฏิบัตินี้มันดับความทุกข์ได้เพนั้นเวลาชั่วโมงหนึ่งเนี่ย มันมีคุณค่าต่างกันอยู่ที่การใช้เวลานั้นเ่าใช้ไปในทางไหนมีคุณก็ได้มีโทษก็ได้มีโทษก็เอาไปดูเอาไปดูละครเอาไปดื่มสุราเอาไปเที่ยวอย่างนี้อันนี้เป็นโทษเอาไปหาเงินหาทองก็ถ้ามันจาเป็นมันขาดแคลนมันก็เป็นคุณบ้าง คุณต่อร่างกายอยู่ต้องหาเงินเพื่อจะได้มีปัจจัยสี่ไว้ดูแลรักษาร่างกายแต่ถ้าหามากไปกว่านั้นอยากจะมีเยอะๆอยากจะเล่าอยากจะรวยอันนี้ก็เป็นโทษกับจิตใจเพราะไปเสริมไปหาไปเสริมกิเลสตัณหาให้มีกำลังมากขึ้นมีกิเลสตัณหามากขึ้นก็จะ ไม่มีเวลาที่จะมาปฏิบัติธรรมก็จะเอากิเลสตัณหาก็จะเอาเวลาไปไปหาเงินต่อไปหาเงินให้มากขึ้นหรือว่าได้เงินมากขึ้นแล้วก็เอาไปซื้อความสุขต่างๆเนี่ยคือเวลาที่เราที่เราใช้กันนี้ใช้ไปอย่างไรใช้ไปเกิดคุณก็ได้ใช้ไปให้เกิดโทษก็ได้ ถ้าเอามาใช้กับการปฏิบัติธรรมนี้ก็จะเกิดคุณประโยชน์อย่างเดียวและคุณสูงสุดด้วยอย่างที่พระเจ้าได้ทรงใช้มาทรงใช้เวลาเพียงหปีเท่านั้นเองก็สามารถได้ทรัพย์ที่ยิ่งใหญ่ทรัพย์ที่มีคุณค่ายิ่งกว่าเงินทองแสนล้านหมื่นล้าน คือทัพย์ภายในอริยทรัพย์ได้แก่พระนิพพานานีเป็นปรมังสุขขังไม่มีทรัพย์อะไรในโลกนี้ที่จะสามารถซื้อปรมังสุขขังได้ต่อให้ซื้อรถแสนคันล้านคันก็มันก็ไม่มีความสุขเหมือนกับได้พระนิพพานอย่าต่อให้สร้างปราสาทราชวังใหญ่โตขนาดไหนก็ตาม มันก็ไม่ได้ความสุขเหมือนกับได้พระ น, นิพพานคนโง่จึงสร้างสมบัติภายนอกกันสร้างปราสาทราชวังสร้างอะไรต่างๆแต่ใจนี้ร้อนยิ่งกว่าไฟทุกยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดสิ่งต่างๆในโลกนี้ดับความทุกข์ใจไม่ได้ มีพระนิพพานนี้ที่ดับความทุกข์ใจได้อย่างสนิทได้อย่างเท้าวอนการภาวนานี i เป็นเครื่องมือที่จะดับความทุกข์ได้อย่างเทา้าลนทุกเวลานาทีที่เราใช้ไปกับการภาวนานี้เป็นคุณเป็นประโยชน์กับเราทั้งหมดเลยมีคุณค่าราคามากถ้าจะเปรียบกับราคา ของใช้ของของสิง่งต่างๆปฏิบัติทำเพียงหนึ่งวินาทีนี้ก็เหมือนกับได้เงินมา้อยล้างนคิดดูกันแล้วกันแล้วเราจะมัวไปหาหาเงินหาทองไปทำไมวันหนึ่งทำงานแ้าเป็นแทบตายได้มาสักกี่พันสักกี่หมื่นได้มาแล้วมันมันดับความทุกข์ภายในใจเราได้หรือเปล่า นั่งสมาธิห้านาทีนิจใจเย็นสบายกว่าต้องเยอะแยะสุขกว่าได้เงินมามื่นหนึ่งมื่นหนึ่งแสนนี่เป็นสิ่งที่เราต้องคิดกันต้องเปรียบเทียบ ก, กันเพื่อเราจะได้ใช้เวลาให้เกิดคุณประโยชน์มากที่สุดพระพุทธเจ้าทรงใช้เวลาเพียง ช้เวลาหกปีด้วยกันก็ได้พระนิพพานมาหลังจากที่ได้พระนิพพานแล้วพระองค์ก็ทรงสามารถช่วยผู้อื่นให้ได้พระนิพพานได้เร็วยิ่งกว่าของพระองค์เองเพราะพระองค์นี้ไม่มีใครทรงสอนไม่มีใครสอนทางไม่มีใครบอกวิธีที่จะทําให้จิตได้พระนิพพานอย่างรวดเร็วแต่พอพระองค์รู้แล้ว นาทีสอนเพียงแค่ไม่ถึงนาทีก็ได้คนระับมีคนอยากจะฟังเทศในขณะที่ทรงบิณฑบาตพระองค์ก็ทรงตัดว่าไม่ไ ม, ไม่ไม่ใช่เวลาที่จะเทศที่จะสอนธรรมะเราก็ขอว่าขอสั้นๆกันแล้วกันพระทรงตัดไปเพียงว่าให้สักแต่ว่ารู้เห็นอะไรก็สักแต่ว่าเห็นได้ยินอะไรก็สักแต่ว่าได้ยิน ไม่ให้มีอารมณ์เกิดขึ้นจากการเห็นจากการได้ยินให้รู้เฉยๆดังนั้นเขาก็สำเร็จแล้วเข้าใจแสดงว่าเขามีคุณธรรมพร้อมที่จะรับกันธรรมะ อ, อันยิ่งใหญ่นี้ถ้าเปรียบเหมือนกับคนที่มาขอ ขออาหารก็เขามีภาชนะมาใส่มีจานมารองรับเราตักกับข้าวใส่จานนี้นเขาเขาก็รับได้หมดเลยพอเขารับไปแล้วไปรับประทานปั๊บเขาก็อิ่มพวกเรานี่ฟังกันแล้วฟังกันอีก <c oughs> ก็ยังไม่ยังไม่ได้อิ่มเลยเพราะไม่มีจานมารับไม่รู้จะตักใส่ไว้ตรงไหน ก็ได้แต่น้ำลายไหลไปอยู่เรื่อยๆหิวไปอยู่เรื่อยๆว่าเราไม่เตรียมภาชนะกันภาชนะที่จะลองรับปัญญาก็คือสมาธิคือสีคือทานแล้เราต้องทำทานทำทานแบบจริงๆจังๆคือทำให้หมดเลยในาทำทานจริงจจังๆ ไม่ต้องไม่ต้องใช้เงินทองเพื่อซื้อความสุขอีกต่อไปลองตั้งสัจจะอที่ถามมาต่อไปนี้จะไม่ใช้เงินซื้อความสุขจะใช้เงินใช้ซื้อปัจจัยสี่เท่านั้นของอย่างอื่นจะไม่ซื้อมัน น, นั้นเนี่ยมันก็จะเหมือนได้ทาําทานถึงแม้ว่าจะต้องมีเงินก็เก็บไว้ได้ แลยังต้องใช้ถ้าเราไม่ได้เป็นนักบวชเราต้องซื้อปัจจัยสี่ซื้ออาหารซื้ออะไรต่างๆที่จําเป็นแต่ก็ให้ตั้งกดนี้ไว้เลยว่าต่อไปนี้จะไม่เอาเงินไปซื้อความสุขไม่ซื้อรูปเสียงกลิ่นหรอกระเป๋านี้ก็รูปเห็นเห็นกระเป๋าแล้วอย า, ากได้ก็เห็นเสื้อผ้าอยากได้ น, นี่ก็เป็นรูปเห็นอะไรเห็นน้ําหอมอยากจะซื้ออันนี้ก็กลิ่น เห็นเครื่องดื่มชนิดต่างๆเห็นข น, นมนมนอยนี่ก็ลดอย่านี้อย่าไปซื้อรูปเสียงกลิ่นรสโภธภัซื้อแต่อาหารซื้อแต่น้ำดื่มที่จำเป็นต่อการดำรงชีพเสื้อผ้าถ้ามีพอแล้วก็ไม่ต้องซื้อซื้อแต่เมื่อมันจำเป็นมันไม่พอใช้จริงๆแล้วเราจะตัดกิเลสได้เยอะเลย จะมีเวลามารักษาศิแปลมีเวลามาภาวนาได้นี่แหละคือเจตนาของการทำทางอยู่ตรงนี้ต้องการให้เราหยุดการใช้เงินถ้าเราหยุดใช้เงินได้เราก็จะหยุดหาหาเงินได้หรือหาเท่าที่จำเป็นทำงานปีเดียวก็หยุดได้ไปเป็นสิบปีเลยถ้าเอามาใช้แก่สำหรับการาหาร อาหารก็ต้องใช้แบบนักน้อยสันโดดอาหารที่เรียบง่ายที่คุ้มกับราคาเงินทองที่เราเสียไปอาหารมื้อหนึ่งกินถ้าห้าสิบบาทกินแล้วอิ่มทำไมต้องไปเสียห้าร้อยบาทเพื่อกินให้มันอิกมันก็อิ่มเหมือนกันดับความหิวได้เหมือนกันรักษาสุขภาพของร่างกายได้เหมือนกันอย่างนี้ฉลาดอเาชอบไปซื้อของแพงทาไม ของแพงแล้วก็ได้ได้คุณประโยชน์เท่ากันของเหมือนกันของมาจากตลาดนี่แหละแต่อเวล า, ามาขายทาไมราคามันต่างกันขายที่หนึง่งราคาราคาแพงกว่าอีกที่หนึ่งเป็นสิบเท่าของมันก็มาจากที่เดียวกันมาจากตลาดเหมือนกันแล้วก็เข้าไปสู่ที่เดียวกันคือเข้าไปในท้องเหมือนกัน ต้องคิดบ้างถึงนักปฏิบัติสิทธาคตผู้ปราดเปรี่อมด้วยปัญญาอย่าให้กิเลสมันรอเร า, เาพอเขาหลอกเราทำให้มันดูสวยงามหน่อยแ่นะโอ้โหอยากจะรับประทานแล้วราคาเท่าไหร่ไม่ว่ากันแล้วยอมเสียยอมหมดเนื้อหมดตัว ไม่คิดถึงเวลามันเข้าไปในปากมัน้องเป็นยัไงเ้าประดับประดาวสวยงามขนาดนั้นพอเข้าไปขบเคี้ยวอยู่ในปากผสมกับน้ำลายเราแล้วเป็นยังไงมันสวยงามเ่ยต้องคิดเนี่ยถึงจะถึงจะปากกิเลสได้ปากความหลงได้จะได้มีเวลาที่มีคุณค่ามาใช้ให้เกิดคุณค่าจริงๆตอนนี้เราใช้เวลาให้เกิดโทษกับเรา ไม่ได้ใช้เวลาให้เกิดคุณเกิดประโยชน์กับเรามัวแต่หาเงินหาเงินมาเพื่อมาใช้ใช้หมดก็หาใหม่วนกันไปอยู่อย่างนี้อยู่ในวัฏจักรแห่งการหาเงินใช้เงินแล้วเมื่อไหร่มันจะหลุดออกมาได้เราก็ต้องหยุดใช้เงินท่านนั้นเพื่อทจะหลุดออกมาได้ใช้เท่าที่จำเป็นมันก็จะได้ไม่ต้องเสียเวลากับการหาเงินมา เดิอนสมัยเราตอนนั้นทำงานทำได้หกเดือนมีเงินเหลืออยู่หกพันบาทแล้ว เ, เราอยู่ได้นะหกพั 6, นนี่ปีหนึ่งเราคำนวณดูแล้วอาหารมื่อละห้าบาทเราก็อยู่ได้เอาละง้น ล, ลาออกจากงานเลยทาไมเราลาได้ไม่เคยไม่เคยกลัวตกไม่เคยกลัวเลย มันไม่ไม่รู้เป็นงไงไม่เไม่กลัวนะมันอยากจะภาวนาอย่างเดียวเ น, นะมันอยากจะให้ใจสงบอยู่ตลอดเวลาพอเวลามันสงบแล้วแหมมันสบายพอมาทํางานมาวุ่นวายกับเรื่องงานเรื่องกายความสงบหายไปหมดความเครียดกลับเข้ามาปัญหาต่างๆเข้ามายุ่งกับเรื่องงานเรื่องกายเห้แล้วอย่างฐานเตืเอนะครับเราทํางาน เราเราเสียเวลามีคุณค่าของเรานี่มาเพื่อให้มันเกิดความเครียดกับเราเลยทําไมเราไม่ยอมเอาเวลามาทําให้มันทําให้เรามีความสุขนั่นแหละมันก็เลยอย่นี้ต้องปฏิบัติแล้วต้องต้องออกจากงานแลเพื่อเราจะได้มีเวลาเต็มร้อยเลยเป็นเวลาของเราหมดเลยปลายปี 2,517 วันสุดท้ายที่เราทํางานวันที่31ธันวาคมหลังจากนั้นก็มาภาวนาอย่างเดียวภาวนาจากกนกระทั่งไม่มีอะไรจะให้ภาวนาแล้วก็ทีนี้ก็ตกงานหมดละตกงานทั้ท ง, ทา ง, างทางทางข้างนอกทั้งทางข้างในข้างนอกก็ไม่ทําข้างในก็ไม่ทำํำทีนี้ก็มีแต่กินก น, นอนอย่างเดียวบาย ท่านอาจรที่ท่านอาจารย์ภาวนาชั่วขอยานานี้ยท่านอาจารย์ก็สงบตลอดเลยใช่ไหมก็ตั้งแต่เริ่มลองภาวนาดูเนี่ยก็ถึงว่าท่านอาจารย์ได้ความสงบสงบก่อนที่ลาออกจากงานเป็นเหตุแห่งพลังจิตใจมันผ่านเวทนาได้แล้ว่าเจ็บแล้วมันใช้บริกรรมทะลุไปได้เหมือนกัน ที่มันก็ไม่กลัวนั่งมันก็ไม่กลัวเจ็บเลยมันรู้จักวิธีสู้กับความเจ็บนั่งมันานก็นั่งได้สู้กับมันได้นั่งแล้วก็สลับกับเดินเดินกับนั่งมันเหมือนกันมันมีบางช่วงก็เผลอบ้างก็พุ่งพุงแต่งขึ้นมาก็เกิดกิเลส ข, ขึ้นมาตอนนั้นก็ต้องกลับมานั่งให้ได้ต้องกลับมาสู้กับมันถ้า ถ้าสู้ไม่ได้ก็ถูกมันหลอกให้ออกไปข้างนอกไปหาแสงสีเสียงพอกลับมาก็รู้ว่าถูกหลอกอีกแล้วเหมือนเดิมต้องกลับมาเริ่มต้นใหม่ทางนี้ไปแล้วสบายไม่ต้องใช้เงินเลยแปปีสองันห้าร้อยสิบบาทนะนี่ไม่ได้ใช้เงินใช้ทอง ใช้ก็อาจจะมีบ้างนิดหน่อยค่ารถค่าเรืออะไรไห่ก็ไม่ได้ใช้มากนะไม่ได้ไปไหนมาไหนอยู่ใจเย็นใจสบายใจไม่วุ่นวายกับใครกายจะเป็นใครจะตายก็เรื่องของเขาเราไม่ได้เป็นไม่ได้ตายไปกับเขาเราไปวุ่นวายทำไมวุ่นวายแล้วก็ไปแก้เขาได้หรือเปล่าไปห้ามเขาไม่ให้เป็นไม่ให้เขาตายได้กะ มันก็ห้ามไม่ได้อยู่ดีแม้แต่ร่างกายเราก็เหมือนกันมันจะเป็นจะตายมันจะเจ็บมันก็ไม่เจ็บแล้วก็ไปห้ามเหมือนไม่ได้มันจะเป็นก็อยู่กับมันไปมันจะตายก็อยู่กับมันไปมันจะเจ็บก็อยู่กับมันไปถ้าเราไม่ไปยุ่งกับมันมันเราไม่เจ็บใจเราไม่ทุกข์ใช่การใช้อะไหลขั้วถึง จิตใจไม่ให้นอยากไปที่ยวหรออยากก็เนี่ยใช้การภาวนาอย่งไงสติพุทโธหรือใช้การได้ใช้ร่างกายก็ได้ใช้ใจจดจ่อเฝ้าดูร่างกายตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับเฝ้าดูร่างกายว่ากำลังทงอะไรกำลังยืนกำลังเดินกำลังนั่งถ้านั่งเฉยเฉยก็ดูลมหายใจเออก็จงความันจะรวมเข้าสู่ความสงบเบื้องต้น ยังเสติให้ได้สมาธิพอได้สมาธิแล้วทีนี้ก็ออกทางปัญญาแล้วพิจารณาร่างกายพิจารณานิจังทุกขงังอนัตตาพิจารณาสุภาพิจารณาธาตุสี่ดินน้ำลมไฟในร่างกายแล้วก็พิจารณาเวทนาพิจารณาทุกที่เกิดจากเวทนาว่าเป็นทุกข์ในอริยสัจสีเกิดจากสมุทัยคือความอยาก อยากให้ทุกอยากให้ความเจ็บของร่างกายหายไปถ้าหยุดความอยากให้ความเจ็บหายไปก็จะไม่ทุกข์ใจใจก็จะเฉยกับความเจ็บของร่างกายอยู่กับมันได้มันเจ็บแล้วก็ดูมันเจ็บไปแต่เราไม่ได้ไปเจ็บกับมันเราเป็นเหมือนเหมือนขณะที่มันยังไม่ได้มันไม่เจ็บขณะที่เจ็บใจก็ยังเหมือนเดินอยู่เพราะใจรักษา ด้วยปัญญาไม่ให้เกิดความอยากไม่ให้เกิดสมุทัยคือวิภาวะตัณหาคืออยากให้ความเจ็บหายไปแล้วอยากจะหนีจากความเจ็บไปคือหาท่านอาจารย์มีเพื่อนเยอะไมะไม่มีตัดหนวดมนบีใครมีมีธรรมะท่านนั้นแหละที่เป็นเพื่อนไม่คบเพื่อนเลไม่คบทำไมแล้วได้อะไรได้แต่เรื่องได้แต่ ชวนไปเที่ยวชวนไปกินชวนไปดื่มชวนไปเสียเงินเสียทองเราไม่มีเงินทองไปกินไปดื่มของเขาถ้ามีใครเป็นสปอนเซอร์ก็ไปเหมือนกันนานๆทีแต่ไม่ได้ไปเที่ยวไ ป, ไปว่าไปไปเดินทางแต่ไม่ได้เป็นแบบเดินทางท่องเที่ยวคือเบื่ออยู่ที่กับที่มัองมีคนมาชวนไปชวนไปมีพรั่งคนเขาอยากจะไปทำทาสารคดีถ่าย เกี่ยวกับประเทศลาวก็ชวนไปเป็นเพื่อนไปอะไรของเขาไปแล้วก็ภาวนาของเราไปแต่เราก็ไปเขาไปเวียงจันท์ไปหลวงพระบางเราข้ามาที่เชียงรายนั่งรถเข้าเชียงใหม่ก็ไปแต่เราไม่ได้ไปแบบไปเที่ยวไปใช้เงินใช้ทองไปดินไปเดินเราก็ยังกินเมื่อเดียวเราก็ยังภาวนาของเราไป แต่เบืออยู่บ้านมันเบือมันก็เปลี่ยนสถานที่บ้างมีคนมาชวนนี้ก็ไปทั้งนึงมีคนมีไปเช่าบังกะโลทิ้งไว้ที่ภูเก็ตไม่มีใครอยู่ก็บอกไปเขาให้ไปอยู่คนเดียวเอาไปล้วไปเงันไปได้ไม่ได้ไปเพื่อไปดูแสงสีเสียองอไปเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศบา มมมเบื่่อไปคถ้าสงบมันก็หายถ้ามันตุงแต่งมันก็กลับถ้าเราคิดถึงแล้วเรอยากอยากพอคิดความคิดตุงแต่งมันก็จะคิดถึงอารมณ์ต่อยเกาความสุขเดิมๆที่เคยมีมันก็จะเกิดความเบื่อหน่ายกับสภาพที่เรามีอยู่ขณะเป็นปัจจุบันเพราะขณะอยู่ตามลำพังไม่มีอะไรพอเมื่อคิดถึงความสุขกับเพื่นอนฝูงกับการที่ได้ ดูนั่นทนํานี่มันก็ทําให้เกิดความเศร้าส้อยเหงาเหงาว้าวเวเกิดขึ้นมาแต่ถ้าเราภาวนาปับ๊บมันก็จะหายไปว่เข้านั่งสมาธิจิตสงบปับ๊บมันก็จะหายไปช่วงนั้นมันยังอยู่ในขั้นสมาธิสติอยู่มันถ้าไม่เจริญสติปั๊บเพลิปับป๊บมันไปเลยจะคิดถึงเรื่องนั้นอย่างนี้พอรู้ว่ามันเลิกไปแล้วก็เดินกลับมาไม่ไหวแล้วหยุดแล้คิดไม่ได้แล้ว กลับมาพุทธโธกลับมาเข้าตอนนี้เราจะใช้อนาปนาสติเวลานั่งนั่งหลับตาแล้วก็ดูลมไม่ได้ใช้พุทธโธเพราะในในที่หนังสืออ่านนี้ท่านมาสอนแต่ในสติปัฏฐานสี่ท่านสอนวิธีนั่งด้วยการใช้อนาปนาสติการใช้อนาปนาสติเป็นหลักครั้งหนึ่งพอนั่งแล้วเจ็บก็มันผุดเป็นผุดขึ้นมาเองว่า ต้องใช้คำบริกรรมอะไรทั้งอย่างก็เลยใช้คำว่าอนิจจาไปบริกรรมอนิจาอนิจาไปไม่นานมันก็นิ่งมันก็สงบความเจ็บก็หายไปอย่างมหัศจรรย์นี่มันก็รู้แล้ววิธีเวลานั่งแล้วเจ็บนี่เราจะรู้จักวิธีที่จะสู้กับมันได้ถ้าดูรวมต่อไปไม่ได้ก็ต้องใช้การบริกรรม ก็สำคัญอย่าไปให้ความสนใจกับความเจ็บอยากไปอยากให้มันหายอยากไปยุ่งกับมันอยากไปอยากหนีจากมันเป็นอันขาดเพราะมันจะทําให้เกิดความเจ็บซ้อนขึ้นมาในใจที่รุนแรงกว่าความเจ็บของร่างกายที่ทนไม่ได้ไม่ใช่ความเจ็บทางกายทางร่างกายที่ทนไม่ได้คือความเจ็บทางใจใจมันไม่ชอบไม่อยากอย่างนี้ไม่เอานี่มันทรมา ใช่เราเราต้องทำอะไรที่เราไม่ชอบเลยใแต่ถ้าเป็นสิ่งที่เราชอบเนี่ยโอ้ยทำเลยเท่าไหร่ก็ไม่ไม่เหนื่อยไม่เหมือน <c oughs> คนกินพริกคนที่ชอบกินพริกกับคนที่ไม่ชอบกินพริกนะมันมันทุกที่ใจมันไม่ได้ทุกที่ร่างกายร่างกายก็กินพริกเหมือนกันแต่คนนึ่กินแล้วมีความสุขอร่อยอร่อยมันเผ็ดเ็ดดีร้อนดี ีอคอนกินแล้วอยู่ที่ใจเเมื่อมันเราทำให้เกิดปัญญาขึ้นมาตอนหลังมันพิจารณาไอ้ทําไมเวลาเราฟังเสียงที่เราชอบนี่ให้มันดังแสบแก้วหูทำไมเราฟังได้แต่เวลาเราได้ยินเสียงที่เราไม่ชอบเบานิดเดียวยั ง, งฟังไม่ได้เลยมันก็เล ย, เยมันอยู่ที่ใจเราเลยถ้าอะไรเราชอบนั่นนี่แหมเรารับได้หมด่ อะไรเราไม่ชอบนี่เรานิดเดียวเราก็รับไม่ได้ก็มาเปรียบเทียบกับเวทนาเนี่ยเวทนาเนี่ยไม้วอันนี้เรารับมันไม่ได้เราก็เลยโอ้โหจะเป็นจะตายกับมันให้ได้แต่ถ้าเรายอมรับมันเสียคิดเสียว่ามันเป็นสิ่งที่เราชอบสักอย่างนี้มันก็อยู่กับมันได้พอเราไม่ปฏิเสธมันเราไม่เป็นรังเกียจมันเราเฉยกับมันปับมันก็นั่งอยู่กับมันได้อย่างสบายใจมันก็หยุดไป สอนบอกให้ใจหัดชอบสอนให้ใจวาอย่าไปังเกยียตมันอยู่กับมันไปเราห้ามมันไม่ได้มันเป็นส่วนหนึ่งของเราน่ถ้าเราอยู่กับมันได้เราก็จะสบายไม่เดือดร้อนจากนั้นเจ็บไายได้ปวดก็ไม่ต้องปวดหัวตัวร้อนปวดหัวปวดท้องไม่ต้องกินยาแก้ปวดมันไม่ปวดมากมันปวดที่ร่างกายมันไม่ได้ปวดที่ใจ ยาแก้ปวดไม่มีความสำคัญเลยไม่มีความจำเป็นต้องกินปวดส่วนยาเกิดจากความคิดปรุงแต่งเกิดจากตันหาความอยากกลั ว, วมากความกลัวนี่ก็เป็นความอยากแบบความอยากเนี่ยมันที่ทำให้คนเราเครียดทาให้เราทุกข์เป็นโรคประสาท แต่เบื้องต้นนี้ต้องเจริญสติให้ได้ก่อนสตินี้เป็นตัวสาคัญเพื่อให้เราใจให้นั่งแล้วสมาด้สมาธิก่อนพอมีสมาธิแล้วก็จะมีกำลังที่จะพิจารณาทาปัญญาได้เวลาเกิดทุกข์ขึ้นมาใจจะไม่ไม่ตื่นจนกระทั่งไม่มีเวลามานั่งคิดได้ ถ้าไม่มีสมาธินี่เวลาทุกปั๊บนี่มันเหมือนคนไก่ตาแตกคิดอะไรไม่ออกมีแต่อยากจะหนีจากความทุกข์นี่อย่างเดียวแต่ไม่รู้ว่าความทุกข์นี้เกิดจากอะไรไก็จะหนีจากสิ่งที่ตอนนี้คิดว่าเป็นเหตุของความทุกข์แต่ไม่ใช่จะนหนีจากทุกขเวทนาเหุนีจากความเจ็บมันไม่ใช่เป็นเหตุของความทุกขใจเหตุของความทุกขใจก็คือความอยากหนีอากความทุกข์กานี้ต่างหาก ที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจพอมันพิจารณาได้ใจเข้าใจปั๊บใจมันก็ปล่อยมันก็เฉยนั่งไปเจ็บก็รู้ว่าเจ็บแต่บางทีมันไม่หายเจ็บความเจ็บไม่หายแต่ใจมันหายใจมันหายเจ็บแล้วมันก็นั่งต่อไปได้ไม่เดือดร้อนบางทีมันก็หายไปเลยก็จะ ทั้งร่างกายทั้งความเจ็บกระหายไปเยอแต่ปวดล่วนๆอย่างนี้อย่จงเพื่อนที่ก็นั่งบนโซฟ า, านี่ยเราจะเส็บน้อยแต่ที่นั่ง น, นี่ไม่นั่งทําป็นโซฟาให้มันเราต้องการให้มันเจ็บมากมันจะได้มันจะได้แก้ปัญหาได้เราถึงคขำเวลาเห็นคนปฏิบัตินี้ต้องถือเบาะ ก, กันไป <c oughs> มันปฏิบัติท้าอะไรกันว <c oughs> ะฮะ <c oughs> ปฏิบัติหาความสบายกายลดบังการปฏิบัติหาความสบายใจ เอกายมันจะเจ็บเราจะได้รู้จักวิธีแก้ปัญห า, หหานี่เราเคยนั่งบบาะเบอร์ที่ไหนเนี่ยรเราเริ่มแต่แรกเรานั่งสมาธิเรานั่งกับพื้นธรรมดานั่งในฐานะกับพื้นไม้นี่แหละจะไปไหนก็สะดวกนั่งได้ทุกแห่งทุกคนที่รูปปไปปัดเขาก็มีบาะให้ทุกคนอไม่เราไปชายหกชายหาดเรานั่งกันได้อย่างสบายนั่งบนโรงบนทรายส บ, บายสบ า, ายทรายมันก็นิ่มอ่นะ เราไปเราไปไหนเราห้อยเราสภาย่อมอยู่ใบเดียวนั่นเลยแย่อมก็มีหนังสือธรรมะมียนเขราไม่ต้องการนั่งนานเราต้องการนั่งให้มันเจ็บเพื่อเราจะได้อใช้ธรรมะมามาแก้ความเจ็บใจเราจะได้ใช้สมาธิจะได้เกิดสมาธิขึ้นมาที่ให้ออดอาหารก็เพื่อให้มันหิวไงให้มันทุกข์ไงทุกข์ทางกายมันจะได้ใช้ ใช้สมาธิใช้การภาวนามาแก้ความทุกข์ทางใจใถ้าอย่างนั้นที่ได้านนายาหน้าอ่นี้มันก็ความติมก็มาเร็วเร็วก็เร็วสิเราจะได้มันก็ิ่งไม่ไม่ได้นานเท่ากับเรานั่งบนบาะซึ่งนิ่งนานิ่งดีไม่ใช่ไม่ดีหรอกเนี่ยนานนา น, นานแบบนั้นไม่ดี <c oughs> ไม่ไม่ไมถ้าอย่างนั้นนั่งไม่ไม่ข่ายแพ้อหออะไเราก็จะไม่หรอกพอนั่งไปเรื่อยๆมันก็มันก็ชินเมันไม่ ความจริงพื้นแข็งกับพื้นเบานี่มันไม่ต่างกันมาการันไปนานๆมันก็เจ็บเหมือนกันเนีเราไปเสียเวลาให้มันเจ็บช้าทำไมให้มันเจ็บเร็วดีกว่าจะได้บังคั บ, บให้เราพุทโธให้ถี่ขึ้นเลยมันจะได้สงบเร็วเข้าไปนนปัญหามันไม่ได้อยู่ที่เบาหรือไม่เบาแล้วเจ็บไม่เจ็บปัญหามันอยู่ที่ภาวนาไม่ภาวนากันเวลานั่งเราไม่ภาวนากัน ภาวน า, าไปเสร็จพุโทโธก็พุโทโธไปดูลมก็ดูลมไปอย่างเดียวถ้ามันดูลมอย่างต่อเนื่องเนี่ยถ้ามันสงบเร็วในห้านาทีสิบนาทีมันไม่เจ็บแล้วมันก็นั่งได้เป็นเกือบชั่วโมงไปสี่สิบห้านาทีไม่รู้จะเจ็บเลยถ้ามันเข้าไปภายในห้านาทีสิบนาทีนี่มันไม่เจ็บแล้าาใจเพว่า ปฏิบัติตอนแรกๆก็เข้าใจแบบคนตาบอดเข้าใจพวกตาบอดทำช้างทุกคนก็นาขึ้นกิเลสมากขึ้นมาก็ันว่าใครจะนั่ก็หนีความเจ็บไปเรื่อยๆวัตถบัติหนีความเจ็บทำเห้คนนี้เก่งเนาะเขากนั่งได้นานเขาเานั่งนาเราไม่นั้งเพื่อจะเอาเวลาเราจะนั่งเพื่อเอาสมาธิเอาสติเอาปัญญารู้ไม่ได้เอาไปเอาแบนๆไปนั่งได้สู้เขาไม่ได้เขาทํากันาขนาอ ทั้งนั้นแะสมัยนี้เห็นใค ร, ใครเห็นใครนั่งก็ต้องมีเบาะกันงนัง้นบางคนมาฟังเทศยังเอาเบาะมานั่งฟังอนี่เหรอพีอนน่นี่พยายามสอนทำตัวอย่างให้ดูทีก็ยังพยายามจะเอาเบาะมหานั่ง แต่บอกไม่บาไม่ไม่เคยเป็นประเด็นที่เราไม่ใช้บอกว่าเราไม่อยากจะยุ่งพัดเดี๋ยวไปไหนมาไหนก็ต้องแบกเบาไปด้วยแล้วเราสมัยนั้นเราแบบบางทีไปชายทะลงชายทะเลของเราเนี้ยเราจะเราจะไปแบกเบาไปทําไมเรามีแต่ย่ามใบหนึ่งย่ามก็อาจจะมีน้ามีน้ำมีหนังสือธรรมะเผื่อเวลาเบื่อภาวนาไม่ได้ก็เปิดหนังสืออ่านถ้าไม่ได้ก็ลงไปแช่น้า อยู่คนเดียวไปหาหมุมสงบมันเงียบที่ไม่มีคนเย็นๆก็เดินกลับบ้านอยู่คนเดียวมีความสุขกระตายแล้วสมัยนะยั้นมันถึงเวลาบวชมันถึงไม่ไปยุ่งกับใครอันนั้นครูบาอาจารย์ยังไม่ไปยุ่งกับท่าน คนอื่นอยากจะเข้าใกล้ชิดใกล้ตัวท่านไปชายใบบีนวดไปปฏิบัติอ่านั้นเราอยากคล่อยห่างอยากจะเข้าใกล้ใครแต่ท่านก็คงจะทราบท่านก็คงเป็นอย่างนั้นมาท่างก็รู้จไม่ปัญหาท่านกับส่งเสริมสิบางทีจํําจาใจจะต้องมาร่วมทํากิจเพราะว่ามันเป็นเดี๋ยวจะเห็นว่าไม่ไม่ร่วมกันเลย ถ้ากเดตตามาไล่ไปไม่ให้เราทำท่านรู้ว่าเอาใจเรามันมันเข้าข้างในแล้วมันไม่อยากอข้างนอกแต่คนอื่นถ้านไม่ไล่นะคน่นก็ท่านก็ให้ทาต่อตอนที่เราบวชแล้วก็กลัวเงี้เรากลัวจะไปเจออาจารย์ที่ไม่ปฏิบัติมาเดือย คงจะอยู่ด้วยกันไม่ได้แต่ก็โชคดีว่ามีมีพระอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติท่านผ่านมาแล้วท่านเข้าใจทุก อ, อย่างได้อยู่ที่วัดท่านได้อย่างสบายไม่เคยคิดโกว่าท่านจะล่เราเลนะ ม, นมันไม่เคยมีอยู่ในใจนะแล้วก็ไม่เคยคิดว่าเวลาไปจะได้อยู่หรือไม่ได้อยู่หนระือมันใจไปแบบ กลางๆจริงๆอยู่ก็ได้ไม่อยู่ก็ได้เพราะตอนนั้นเราไม่ได้พุ่งไปหาผ้ า, าจานเป็นหลักเราไปหาสถานที่ภาวนาเป็นหลักถ้าที่นี้ไม่ได้ก็ไปหาที่อื่นได้เราคิดอย่างนั้นแก็โชคดีไปที่แรกก็ได้เลยไดที่ที่ถูกใจแล้วท่านก็ไม่ไล่ด้วยก็เลยดี ที่ก็อย่างเงียบๆอย่างนี้วัดป่ามันต่าสมัยนั้นที่ไปก็เงียบๆอย่างเงางนี้ยท่านมาทีไรท่าก็ยังเห็นว่ า, ามันก็ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่มาขีดข้งขีดข้างมือนก็เป็นแบบนี้แล้วมันอยู่นี่ตนะั้ปีสามศูนย์จนถึงเนี้ยนี้มันก็ยังเป็นอย่างนี้ก็มันที่อยู่ของของผู้ที่มีความสงบมันจะไปทําให้มันวุ่นวายทําไมใช่ไหย สงบกเนี้อยู่แล้วสบายเมื่อก่อนนี้ที่ไม่ได้ซ่อมมันก็เพราะว่าตอนนั้นยังไม่มีความจำเป็นเพราะไม่มีคนมาใช้มากตอนนี้เริ่มมีคนขึ้นมามากาก็เลยซ่อมแค่พุ่งบอท่านจันทำไง่ขนน้ำให้ลุกขึ้นขึ้นไปตอนน้ำก็ให้คนแต่จะให้น้ำให้มาใช้ที่นี่ แล้วก็ที่ที่นั่นก็จะมีถังน้าไว้รองน้ําฝนไว้โดยหลักแล้วก็เวลาอยู่ที่ภาวนานจริงก็ไม่ต้องใช้น้ำหรอกจะใช้ก็แต่เวลาส่งน้ำอาบน้ำางนี้ก็มามาใช้ที่นี่ได้ไม่ว่าถ้าบางคนใช้ถ้าลงไปข้างล่างเขาก็ไปใช้ข้างล่างกันอย่างผ้านเนนี่ท่านท่านจะลงไปซักผ้าที่รอนอย่างที่ข้างล่าง น้ำดื่มก็เป็นน้าขวดน้ําขวดก็มีคนมาถวายเยอะแยะไปหมดไม่ไม่มีปัญหาแล้วใกล้ๆแค่ก็มีห้องน้ําห้องส้วมอยู่สองห้องพอที่จะ เ, เดินเข้าไปใช้ได้หรือถ้ามันมันมันกระทันหันจริงๆก็ใช้แบบกวางแบบนิงก็ได้ลิง <laughs> หรือกวางเขาก็ไม่มีห้องน้ำทำไมเขาอยู่ได้กนะ <laughs> วางมันตัวใหญ่กว่าเราเลยคนระับ <laughs> ซองผงซองสินเข้าไปได้เลยมางทีสมัยก่อนเราเดินลงไปช้ามืดนี่ท้องเสียกระโดดเข้าข้างทางอ่เวลามันถึงมันถึงเวลามันไม่มันไม่สนใจแล้วห้องโน่งห้องนง แล้วมันอยู่ในที่มืดเนี่ยเช้ามือเดินลงไปมันยังไม่สว่างมันเป็นอะไรบางทีเราข้างข้างถนนนีน่เนาะพระป่าท่านยิ้มง่ายเหรอเรื่องของร่างกายมันเรื่องธรรมดามนุษย์เราไปสมมติว่ามันน่าเกลียดมันอะไรเองแต่จริงๆมัน ม, มันไม่ใช่เป็นสิ่งน่าเกลียดน่ารักหอกเป็นเรื่องธรรมดาของร่างกายเป็นเรื่องของธรรมชาติ ไอส้ไอสิ่งที่น่าเกลียดแล้วกบไม่เกลียดกันทำบาปก็ไม่เกลียดกัน <c oughs> อันน้น่าเกลียดเนี่ยมีการไม่ไม่อยากจะคุยอยากทถามไรเวลา <c oughs> คนเดียวนะท้ามเก่ง ยม่ไงจะตั้งเป้าจกเริ่มปฏิบัติถือศีลแปนจริงจงจังๆทั้งหมไหร่ดีน่าจะถึงเวลาเนยจะเกือบครบแปดปีแล้วเข้าพรรษาเดือกปีกะมีละสองครั้งเท่านั้นค่ะถือพรรษาขาดถือาคาดครับตอนนพัฒนาขึ้นแล้วท่านอาจารย์พัฒนาขึ้นไงฮะเาก่อน ไม่เคยถือเลยจากไม่ต้องถือปีแล้วครั้งสองครั้งอตอนนี้ก็เข้าววันศาลแ้วถือทุกวันพระใหญ่เอ ก, ก็เท่ากับหกหกครั้งนะะตอนนี้ก็ทุกอาทิตย์สําหรับตอนข้าววันศาแต่ตอนออกวันศานี่ไม่ถือนเะอ <laughs> <laughs> าจะถือวันมาคันี่พยายามถือให้มากอ่ะได้มากเท่าไหร่ก็เป็นประโยชน์กับเราแต่ถ้าไปอยู่<ม>ที่แถวตัหลานก็ตัวหลานจะนอนมั้ยเพราะที่นั่งก็คือสี่แปด ไม่มีผีไม่มีอหญ่ได้ก็ยามถึงให้มากขึ้นไปเรื่อยๆปฏิบัติให้มากขึ้นไปเรียนว่าข้อสอบั่นอาจารย์ยากมากพี่สามีเขาตายเขาพี่สามีเาเคยมาป่ะมาพี่สาวนี่เขาเคยมาเหมืกันมามาสาปีมาสองปีตลอด การส่งข้อสอบยากที่สงองปีมาถึงเมื่อมาสองปีหลังนี่แบบพร้มกันแล้วค่ะแ้มีหัวใจวายนะคะก็เหมือนไงตามีเขาก็เสียไปไมใช่ค่ะแต่ว่าเมียนยากอย่างใช่ไหมอะไรนะคะของเราเรีนยากเลยใช่ไหมไม้การสเลยถ้าเขาเจ็บอยู่ตลอดเจ็บอยู่สามเดือนนะคะแต่นี้เขาเสียแบบใกับทานทาใจไม่ก็ เขาก็แต่ว่าเขาเขาก็บอกว่ า, าโชคดีที่เขาได้มากับท่านอาจารย์อยู่ในในปีสปีก่อนหน้าที่แต่มีจะเสียก็พอเสียไปก็ยังมีมีข่าวสอนมีธรรมะให้ให้ให้เขาระลึกได้ว่าว่าเออแล้วพอดูพอดูเขาก็ได้ได้พิจารณาว่านี่คือสังขารนี่คือ ก่อนหน้าที่ตอนอยู่กับตอนที่ไปแล้วมมีความแตกต่างกันยังไ ง, ไงแล้วก็เอในช่วงที่ช่วงที่จิตใจไม่สงบเขาก็ได้ฝึกอบอกตัวเองว่าให้อยู่ในปัจจุบันแล้วก็บอกตัวเองว่าเรื่องที่ผ่านมาคืออดีตอืแล้วก็อย่าไปคือคืออประหยัดไปแล้วก็ปัจจุบันคือมันแยกกันไปแล้วก็ต้อง อมมนอี้ยู่กับความจริงปัจจุบันคือความจริงอดีตคือความฝันอนาคตคือความเพ้อก็ยได้ได้ได้ศึกษาจากเรื่องจริงแล้วก็ลูกก็ลูกก็ตอนเผาลูกก็ไปดูกระดูกที่เผาออกมาก็พยายามจะดูว่า ลักษณะเป็นยังไงก็จะได้เก็บเอาไว้เวลาที่่ควรจะดูว่าต่อไปเราก็เราเป็นเหมือนเขาครับบางทีก็รู้สึกว่าเออทีแรกก็รู้สึกเหมือนกับเรื่องนี้มันใกล้ตัวว่าเออวเขาเป็นเราเป็นแล้วพอห่างสักพักหนึ่งก็มีรู้สึกเหมือนมันไกลตัวแล้วก็คิดว่าเออจิตเราเนี่ยมันมันไม่มันหลอกตัวเองอยู่เสมอมันไม่ยอมรับว่านี่มันคือเรื่องของตัวเราแป๊บเดียวที่ที่ห่างจาก อารมณ์นั้นเนี่ยก็จะกลับไปบอกตัวเองว่ามันเป็นเรื่องกายตัวอยู่สมอ ก, ก็ต้องพยายามจะนึกว่าพยายามจะเอาเอาเอาลูกมาคอนมิมิว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่เอ่อพอขาดพอขาดเลือดธาตุน้ํามันไม่เดินากายมันก็จะมีสีดําคล้ำก็พยายามสอนตัวเองอย่างนี้ด้วยท้องซอว่าในที่สุดมันก็จะเป็นอย่างที่เราเห็นนี่แหละเห็นแต่ขี้เท่ากับเศษกระดูก แต่ความไม่เชื่อเนี่มันต้องพยายามย้ำมันอยู่เรื่อยๆดูมันไปเรื่อยๆคิดมันอยู่เรื่อยๆพิจารณาอยู่เนืองๆใช่ว่ามันจะได้ตอกย้ำมันเหมือนหัดท่องสูตรคูณเน่ะถ้าเราท่องครั้งสองครั้งเดียวมันก็ลืมแต่ถ้าเราท่องมันทุกวันทุกวันทุกวันท่องมไปแค่ท่องมันขึ้นใจมองร่างกายเราทีไรก็ต้องมองถึงเศษกระดูกเศษที่เท่าทันทีดูไปต่อไปมันต้องเป็นอย่างนี้มันต้องเป็นอย่างนี้ ถ้าเราจะไปอะไรกับมันนักหนาจะไปหวงจะไปอะไรมันได้เลยไงไม่ว่าจะเป็นของเราหรือของใครก็ตามเดี๋ยวก็มานั่งดูกระดูกมาดูขี้เท่ากันคนอยู่ก็ดูของคนคนตายไปคือถ้าเรามองไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะเราจะไม่ลื ม, มเราจะไม่ลืมเราจะไม่ลืมเราจะไม่หลงเพราะไม่ลืมมันก็ไม่หลง ม, มันก็จะเข็ดลาว มันก็จะต้องเตรียมถามทดสอบถา ม, ถา ม, ถา ม, ถามตัวเองว่าวเราพร้อมที่ให้มันเป็นหรือเปล่ามันจะต้องเป็นเราพร้อมที่ให้มันเป็นหรือเปล่าคือลูกยังไม่ค่อยเข้าใจกลไกมันจะพอได้ไหมการลูกมีความรูสุดว่าเอ๊ะเรื่องมันเกิดขึ้นแค่สอาทีสามนาทีทำไมเราถึงได้ไปดีแทสแบบคือทําไมวันแรกเราก็คิดเรามีเรื่องอื่นด้วยเราไปไงเรามีงานมีการมี ธุระปาปังมีคนนู้นคนนี้มาเกี่ยวข้องกับชีวิตเราเราเดี๋ยวก็กลับมาอยู่กับโลกของคนคนเป็นถ้าเราไปอยู่ปา่าช้าทุกวันนี่มันก็จะเห็นโลกของคนตายถ้าอยู่กับคนโลกคนตายบ่อยๆมันก็จะลืมเรื่องโลกของคนเป็นมันก็จะคิว่าคนที่มันเป็นตามันมันก็ต้องมาที่นี่กันในนั้นแหละเพราะว่าเราไม่ได้เราไม่ได้อยู่ใกล้มันพอเรายู่ห่างไกลมันเราก็ลืมมัน แล้วเวลาที่เรามองนะครับอาจารย์คืออย่างลูกลนั่งสมาธิแล้วลูกก็มาถึงรูปภาพที่เห็นแต่ว่าลูกไม่ไม่สามารถคือลูกลูกลกมันลูกก็นึกว่าเออมันเป็นหมืนที่เราเห็นในกองนั้นแต่ลูกก็ไม่สามารถมาบอกได้ว่านี่คือตัวเราเป็นแบบนี้เพราะเรายังมองไม่ไม่นานพอแล้วแล้วเราก็มีงานอย่างอื่นให้เราไปมองมันก็เลยทําให้มากรบไองานที่เรากําลังต้องการอยมองให้เห็นเลยมองไม่เห็นถึงบอกต้องออกหดไงถึงต้องออกจากเรื่องเสียงกลิ่นแล้ว ออกจากเรื่องของมนุษย์เรื่องของคนเป็นไปอยู่กับคนตายยือไปอยู่กับที่ว่างๆคนเดียวมันจะได้คิดถึงเรื่องนี้ได้อย่างต่อเนื่องไม่มีเรื่องอื่นมากบเหมือนกับเราเราของมาวางไว้เดี๋ยวก็พอคิดถึงเรื่องอื่นมันก็มากบเรื่องนี้แล้วพอเราไปทํางานคิดถึงเรื่องอื่นมากรบมากรบเดี๋ยวเราก็เลือกเรื่องที่เราเห็นละมันก็ไม่มองถึงเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องรายได้รายจ่าย เรื่อรักเรื่องชังอะไงไปตามเรื่องของมันเหมือนเดิมถึมงต้องออกจากมันอย่าไปรับรู้อย่าไปเห็น<ม>ถ้าอยากจะได้ได้ได้บรรลุเร็วๆก็ต้อง<ม>ต้องทิ้งทุกอย่างออกไปเงั้นมันจะไม่มีวันที่จะสาเร็จหรอกเพราะมันมันไม่ได้มีเวลาพอที่จะดูอย่างต่อเนื่อง<ม>คิดอย่างต่อเนื่อง เจริญฟังมันง่ายแต่มันไม่ทํายากคิดให้คิดถึงโครงกระดูกเนี่ยคิดได้หรือเปล่าคิดไม่ได้พอมองเห็นคนนันลืมันมองไม่เห็นโครงกระดูกที่อยู่ภายใต้ผิวหนังอไมันนเป็แค่ภาพไม่กินก็ต้องกินจนตนาการไปก่อนแล้วพยายามจินตนาการให้มันฝังใจให้มันติดใจจนกระทั่งมัน อยู่กับเราตลอดเวลาเหมือนที่ในพระไตรปิฎกที่มีพระท่านเจริญโครงกระดูกท่านเจริญมีตลาดเวลาจนกระทั่งเวลาใครเดินผ่านมานี่ถ้าไม่เห็นคนเห็นท่านเห็นแต่โครงกระดูกของเขาท่านพุ่งไปมองที่โครงกระดูกของเขาเพียงอย่างเดียวเลไม่รู้ว่าเป็นใครแต่รู้ว่ามีแต่โครงกระดูกมีคนมาถามว่าเห็นคนนั้นไหมบอกไม่เห็นน่ะเห็นแต่โครงกระดูกไม่รู้ว่าเป็นของใคร คือมันต้องอยู่คนเดียวปิดวิเวทการภาวนานเนี่ยสุดตายตัวก็ปิดวิเวกสัมรวมตาหงจมู ก, กลิ้นกายสัมรวมอินทรีย์เจริญสติอย่างต่อนเนื่องจะดูก็ดูก็ดูอย่างต่อนเนื่องจะพุทโธก็พุทโธอย่างต่อนเนื่องแล้วก็รู้จักประมาณนาการโดยโภกอาหาร มากเกินไปก็จะทำให้ง่วงนอนทำให้ขี้เกียจ น, นี่คือสูตรตายตัวถ้าอยากจ ะ, จะอยากจะภาวนาให้ได้ผลต้องปีกวิเวกไม่คุกครีกันไม่โทรหาคนนั้นหาคนนี้ข น, น, นาอยย่วัฒน์เรายังโทรหาคนนู้นหาคนนี้อยู่ไปก็อย่าเอาโทรศัพท์ไป แง่พูดยากนะพยากนะอย่างกรดีของลูกเนี้ยก็สามีก็ไม่อยู่ลูกก็อยู่ต่างประเทศมันก็น่าจะเข้าวัดได้เออแต่ว่ามันทำไม ย, ยังเข้าไม่ได้เพราะมันยังติดกิเลสติดลูกเสียกินรสอยู่ <c oughs> ติดเหมือนติดยาเสพติดไง ว, วิเคราะห์เดี๋ยวที่อานนจารย์ว่าทีอาจารย์บอกให้วิเคราะห์ดูสิว่าทำไมเข้าไม่ได้เพราะอะไรอยเงยมึงวิเคราะห์ดูแล้วมันกลัวว่า อย่างที่เคยเรียนท่าอาจารย์ไม่สวยเลยไปไม่ตลอดรอบไปไปไล่ก็ไปให้มันไปให้ไปก่อนเถอะมันไปกลับแล้วกลับมาก็ได้ไม่ต้องไายก็ดีกว่าคนที่ไม่ไปเลยแล้วดีกว่าเขาตั้งเยอะแยะเป็นใเบิกเป็นข้าวหมอให้นะคะเนี่ยบวชก่อนแล้วถ้าไปแล้วกลับมาก็ไม่ได้ให้กลับอย่างขาววัวกลับมาพักสักสองสาวันแล้วก็ไป ถ้ยังไปไม่แดงเท้าวันก็ไปแล้วก็กลับมาพักสัก 2-3 วันแล้วก็ไปใหม่ไหม่แล้วก็ภาวนาก็อย่างงั้นบางวันเบื่อเบือก็ออกไปข้างนอกวันอะไรวัาแม่หาแม่ลูกมาวะต้องโกนหัวแล้วก็โไม่สวยก็เป็นไรซื้อวิกไว้อัานไงเวลากลัาก็วิกสวยแค่เนี้ยคืมันปวดอีกสภาพถ้านปวดแบบแบบจริงจรเนี้ยจังเลยไม่คิดนั นั่นแหะเป็นการตัดสินใจที่ยากที่สุดในชีวิตเราสําหรับเราเราเสียว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่ทรมานใจที่สุดระหว่างใจหนึ่งอยากจะบวชอีกใจหนึ่งไม่อยากจะบวชเนี่ยแต่พอตรงแะตัดสินใจแล้วโอ้โหมันเหมือนยกภูเขาออกจาก อ, อกเลยลองแนละ้วทุกอย่างมันสดใสเลยหมดมันมันมันสบายมันบอกไม่ถูกโ อ, โอ้นี่เราได้ตัดสินใจแล้วนนแเรวมาถูกทางแล้ว ทำเลยทำตามที่ที่สอนเนี่ยไม่ไม่ผิดหวังไม่ขาดทุนไม่ต้องก ล, ลัวหรอกไปถ้ามันถ้ามันปฏิบัติไม่หยุดมันไม่มีกลับมาหรอกเหมือนกับเราเราหายใจไม่หยุดเนี่ยเราไม่มีวันตายหรอกเราจะตายก็ต่เมื่อเราหยุดหายใจนั่นเองใช่ไหมเราหยุดหายใจหรือเปล่าเราหายไปเรื่อยๆหายใจไปเรื่อยๆไม่มีวันตายถ้าเราหายใจได้ตลอด ถ้ารภาวนาไปตลอดไม่มีวันกลับมาแต่วัชวนบวชหมูไม่รู้นจนีขุสมบูรณ์ห้ียจะมาให้ลูกบวชก่อนเขาอีกถ้าอย่างนี้ก็ยังไม่ยังไม่ไหวละคนที่ก็จะบวชเขาเาเขาเงียบเขาไม่บอกใครแล้ะเขาเตรียมตัวละเขาไปละ เล่นสิคะไปบวชคุณออกมาอให้บวชเก่าท่านเจนเจนเรียนมาค่ะใช่ไหมคะไปบวชแล้วทำไมกลับมาล่ะลูบวชท่านอาจารย์จะทักแบบนี้อะไทั้งแบบนั้นเนี่ยไปแล้วก็ไปเลยนไปแล้วกลับมาก็อย่าไปถ้าไม่ไปก็ไม่มีวันที่จะไปได้ครับะำไมเป้าหมายเราต้องไปไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไป เพราะไปมันดีกว่าอยู่อ่ะอยู่มันก็ได้แค่นี้อย่าไม่มีอะไรดีกว่านี้ล่ะมีแต่จะเร็วลงไปเรื่อยๆความทุกข์จะมีมากขึ้นไปเรื่อยๆเพราะสังขารร่างกายมันจะเสื่อมลงไปเรื่อยๆถ้าไปมีแต่ความทุกข์จะน้อยลงไปเรื่อยๆความสุขจะมีมากขึ้นไปเรื่อยๆจนงสยนเยบต็มที่เลย นี่เป็นพี่สาวเป็นน้องน้องคํำนี่เป็นคนที่เคยม า, าพาคุณพ่อมาปีน้ําท่วมหร่ะเปล่านี่น้ําท่วมเป็นไงสบายดีแล้วสบายดีเจ้าขมดีว่าอยากจะมากราบท่านแล้ว่าก็เอหนังสือให้อ่านแล้วก็น้องไปบวชก็เอาหนังสือท่านติดไปอ่านเลยก็ อ, อยากจะมีโอกาสได้มากราบท่านอืดีว่าติดทางพ่อพ่อตอนที่บวชพ่ออยาก พ่ออยากให้สึกก็เลยต้องสึกมาก่อนครับเูอมีลูกชายคนเดียวนะคะอย่าไ่โทษพ่อเลยโทษเราดีกว่าเวลาเรกคอไ่ย่รดเวลาเรารักใครพ่อไม่อยากให้แต่งเรายังแต่งได้ พ่อถือถึงใจไงเวลาก็ถือว่าไปไปไปชิมก่อนก็แล้วกันแล้วก็จะได้ต่อไปถ้าถ้าไม่มีอะไรแล้วก็จะไปก็จะจะรู้ทางเลยได้กลับไปได้ง่ายพระอาจารย์จะเรียนที่นั่ท่านบังคับให้นั่งวันละหลายชั่วโมงเช่ไส่ครับแต่ว่าช่วงตอนนี้ท่านก็ ถ้าเข้าพรรษาท่านให้ทิพย์ทานหกชั่วโมงครับออแต่ว่าช่วงนี้ท่านก็ไม่ได้อะไรมากเพราะว่าเอกทางพระกำลังสร้างกุติกันอยู่ครับอืมเราพาสร้างเองอืมีท่าเยอะไหมเนี่ยเจ็ดสิบสี่ครับแล้วที่เป็นป่าแบบนี้ทั้งหมดดใว่ปะเป็นเป็นป่าเป็นป่าหมดครับอยู่บนเขานี้เหรออยู่เออ ก็ตั้งแต่เชิงเขาขึ้นไล่ขึ้นไปเลยครับอแล้วกุติอยู่ใกล้กันไหยกุติไกลหลังไกลๆก็ไปเป็นกิโลเหมืครับระหว่างกุตินี่ใจเห็นกันหรือเปล่าตัวกุติเรแล้วแต่แล้วแต่กุติครับบา<อ> ง, <iu> งกุติก็จะแยก er ออกไปไกลเลยครับบางกูติใกล้ใก ล, ก ล, กล้กันบางกุติก็ใกล้ถ้าเกิดอยู่ข้างล่างข้างล่างนี่ก็จะเป็นพระอายุมากหน่อยแล้วก็หรือว่าพระที่มาขออยู่ไม่นานอย่างเงี้ยครับอืมแต่พระที่บวชนานๆบวชไม่มีกำหนดศึกก็จะให้ไปอยู่ไกลๆครับ ที่นี่เหมือนกันมีกุฏิใกล้ๆ ก, ก, ก็เก็บไว้สำหรับคนมาชั่วคราวคนที่อยู่นานก็ให้เข้าไปอยู่ในที่ลึกๆนะแต่ที่นี่เป็นของป่าไม้เขาเขาเขาค่อนขา้ขางที่จะหวงพื้นที่ก็จะสร้างกุฏิสั งต้อขอขนอกจากถ้าเป็นที่เก่าแล้วนี้หลังเก่ารื้อใหม่แล้วแล้วทําใหม่นี่ได้แต่ถ้าที่ยังไม่ได้ปลูกเลยไปปลูกไม่ได้เขาก็ไม่เคยไม่ได้มาตรวจละเพราะเราก็อยู่ที่นี่มานานจนกรทั่งเขาเขาเขาเชื่อเครดิตแล้วเราเราไม่ได้ทำอะไร มันก่อนเขตอนที่ทําแค่เขาก็สองคนขึ้นมาดูหน่อยแล้วเขาก็ไปดูตรงแค่ตรงที่เป็นเป็นแค่ที่เป็นแค่เก่าแล้วเหมือนเราทําทําทับที่เก่าเขาก็เลยไม่ได้พูดอะไรแต่เราเรื่องว่าบางทีเรื่องของทางกฎระเบียบของอะไรที่มันก็อาจจะเป็นเป็นอุปสรรคได้คือคนเรากฎระเบียบนี่มันก็มีไว้ก็ดีแต่บางทั้งบางคราวมันก็ต้อง ม, มันต้องใช้อา่ามีความยืดหยุ่นมันใช้เหตุผลเป็นหลักว่า ทำเพื่ออะไรเขามีกฎไว้เพื่อจะรักษาป้องกันอะไรเอเราก็เคารบแต่เราไม่ได้ทําแล้วไปทําให้มันเสียหายอะไรอย่างนั้นเราก็ทําไมจะทําไม่ได้เมื่อทําแล้วมันเกิดประโยชน์ใช่ไหมก็เราก็ทําไปแต่เรแก้ไกกันไหมครัก็พอสมควรอย่างนี้ก็อย่างน้อยก็นู่นเนี่ยที่จอดรถนี่เนี่ยอออ พยายามไม่ให้มองให้เห็นนมี้อลนึงเออไม่มีมีแค่เสาสี่เสาแล้วก็มีลังคานี้ปาก็ไม่มีก็มีีสก็เลยแบบผ้าทุดดงอยู่ไงเวลาไปเปนตกสาดาก็สาสาก็เปลี่ยนก็ใบเใบเปลี่ยนเวลาพระเขาไปทุดดองเขาไปเขามีอะไรเขาก็ไม่มีอะไรอันนี้แหละแบบผ้าทุดดงแท้ แค่ไน้ น, น, าานั่งภาวนาในครูบาอาจารย์หลวงปู่มั่นท่านก็อยู่อย่างนี้นป่าตามเขาฝนมันก็ตกเดียวเดียวศาสตร์มันก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็แท้งมันก็เช็ดได้มไม่ใช่เป็นปัญหาหรอกมีปัญหาพวกคือปัญหาคือไม่อยากไปมันก็เลยสร้างปัญหาขึ้นมากลายเป็นคนที่อยากไปแล้วของพวกนี้มันไม่เป็นอุปสรรคแล้ว ที่อย่างนี้มันดีมันภาวานาแล้วถ้าคนจิตสงบแล้วเนี่ยมันจะชอบที่อย่างนี้ถ้าจิตไม่สงบมันจะเกลียดมันไม่ชอบมันเหงามันว้าวเวมันน่ากลัวไปหมดต่างกันงั้นถึงรู้เลยถ้าคนชอบที่อย่างนี้แสดงว่าเอาจิตเขาเข้าข้างในแนละ้วจิตเขาไม่หาไม่ไม่หารูปเสียงกิดลดนะถ้าก็ยังหารูปเสียงกิแล้วอยู่เขาดูปั๊บเขาก็ไปแล้ะก็ไม่อยู่ะ นอที่นี่ก็ให้มาทีละคนด้วยไม่ให้มาพร้อมกันหลายหลายคนมาแล้วเดี๋ยวเกาะกันคุยกันเวลากลัวก็วิ่งองหากันเลยไม่เพ่งตัวเองไม่ภาวนาแล้วก็ขอให้เราพุ่งเป้าไปที่การภาวนา ทำทานแล้วที่คันที่สองที่สามนี่ไม่ยอมก้าวขึ้นทันทีสิบแปดเนี่ยเด็กพื้เวกภาวนาสำรวมมินซีตาหูจมุกนิ้วกายเด็กพ้เวกเนี่ยแปดมันมันมีทั้งการการพูดอการบริโภคอาหารพอประมาณรับประทานไม่ลังเกียจ ทำโลบินซีก็ไม่ดูพวกไม่ดูไม่ฟังพวกบันเทิงทั้งหลายแ <c oughs> ต่นอนสติต้องใช้กายกัตาสติก็เฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายในทุกปริยาบทถ้าไม่ใช้นั่นก็ใช้พุทธานุสติท่องพุทโธไปพุทโธไปทำอะไรก็พุทโธพุทโธไปมีเวลาว่างก็นั่งหลับตาถ้าใช้พุทโธก็พุทโธต่อ ถ้าไม่พุโทโธถ้าใช้ร่างกายก็ดูลมหายใจเข้าออกไปไม่ต้องใช้พุโทโธกับลมเนีเพราะว่ามันไม่จําเป็นต้องทำอย่างนั้นบางทีมันจะต้องการพุโทโธเร็วก็เร็วไม่ได้บางทีกระสับก็นี้พุทหรือยังโทหรือย่างเข้าเรื่องอะออกไปดูลมเฉยถ้าใจไม่คิดมากก็ดูลมได้ก็ดูลมไปถ้าคิดมากต้องใช้พุโทโธหยุดเพื่อใช้พุโทโธหยุดแต่ต้องทําทั้งวัน ทำตลอดเวลาเวลานั่งมันจะสงบได้เลยวห้านาทีสิบนาทีมันก็สงบแล้วแต่มันก็สู้นั่งแล้วเจ็บแล้วพิจารณาผ่านมันไป ไ, ได้ถ้าผ่านความเจ็บไปได้มันยิ่งมีความมั่นใจมันจะไม่กลัวความเจ็บมันจะไม่กลัวการเรื่องของการนั่งแพอนั่งเจ็บก็รู้วิธีแก้มันได้ <c oughs> ยังต่อไปนี้ไม่ต้องมีเบาะไม่ต้องมีอะไรนะเขอคงเขาคง เขานั่งกันบทุกคนเราไม่นั่งบน่อากเง่กนกนะกิงอ๋อถ <c oughs> ้าถ้าถ้าไปนั่งกับเขาคงไม่เป็นไรถ้าไปนั่งกับเขาอย่าไปทาตัวให้แากแย่แ<ต>เดี๋ยว<ข>จะเป็นเป้าเป็นเป้าของการก อ, อราหานินท า, านคือเราติดตั้งสู้เขาไม่ได้เยนะ เ, <อ>เายังไม่นั่งเก็บ <c oughs> เ, เราเก็แหละเราต้องลกก่อนเขาอะไรเราเราไม่ไม่ไม่มีสติไงมันถึงเจ็บถ้ามีสติมันไม่เจ็บแหละสี่สิห้านาทีฮชั่วโมงนี้นั่งได้สบาย 5นาทีแรกพอมันสงบปั๊บมันมันไม่ร yes. like oh, ู้เรื่องอะเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วที่นี่มาปฏิบัติได้ไหมครับก็แล้วแต่ว่าที่จะว่างรูปะแล้วก็มาก็ต้องมาเสียงเอาเรามาต้องมาทีละคนทั่ผมท่านี้ผมเดินไปดูได้ไหมครับได้ๆ มาก็มาถานพระพระพระท่านจะออกมาตอนหลังสี่โมงไหมนะหลังจากที่เราสนทนากับญาติโยมเสร็จแล้วพระทั้งกรออกมาฉันน้นําปานะกันช่วงนั้นก็จะมาอยู่ก็มาตอนนั้นก็ได้แล้วก็ลองคุยกับท่านว่ามีที่ไหนว่างไหมยังต้องอยู่ต้องทําอะไรบ้างท่านก็จะให้รายละเอียด ถ้าเคยบวชว่าตาแล้วก็คงจะรู้แล้วว่าต้องทําอะไรก็ไม่มีอะไรก็มีปัดกวาดช่วยกันปัดกวาดตอนเช้าก็ลงไปถ้าที่นี่เราก็ไม่ได้บังคับว่าจะต้องต้องทํากิจของพระถ้าอยากจะตามไปกับพระก็ได้พระอินนบ่าจะเดินไปช่วยท่านก็ได้แต่ถ้าเราอยากจะไปขับรถไปซื้อข้าวซื้อของรับประทานเองร้าประทานเสร็จกลับขึ้นมาภาวนาต่อก็ได้นี้ไม่ได้ บางคนก็ทําอย่างนี้เข้ามาพักถึงเวลาก็ขับรถออกไปรับประทานอาหารเสร็จแล้วก็กลับมาอยู่ต่อไม่ต้องไปร่วมกิจกรรมกับพระที่ข้างล่างเรือทั้งผู้หญิงผู้ชายก็เอาเวทีจะมาปฏิบัติก็ทําอย่างนี้แหละกผ้าคือผู้หญิงตอนนี้มันไม่มีที่ <c oughs> ต, อตอนนี้กําลังทําที่อยู่ต่อไปมีที่ก็ทําได้เนี่ยก็มาพักแล้วก็ถึงเวลาก็ออกไปรับประทานอาหารเองถ้าไม่อยากจะไปร่วมกิจกรรมกับทางวัดเลยก็ไม่ต้องไป งบนนี้มีภากี่ลกะครับก็มีสิบกว่าลูกเนี้ยสิบสองสิบสามลูกนะครับกุิมันจะเต็มมลยหมดนะอย่างนี้เขาก็เช้ามืเอกาจะเดินลงไปแล้วออกไปบินตบาทกับพระตามตามไปไปช่วยไปช่วยถือของไปช่วยถ่ายบาถยถ่ายของออกจากบาทของพระ พระมีอะไรก็แบ่งให้แล้วก็รับประทานอาหารกับพระไปรับประทานมื้อเดียวล้วมาวันแรกเขาก็จะไม่ before, กินก็จะอดอาหารสมมติถ้าก็มามาอยู่สามวันนี้เขาก็จะวันเขาก็จะเขาจะมากินวันสุดท้า ย, ยาวันก่อนที่เขาจะกลับวันนี่ก็จะมาฟังเทศ่างสมมติว่า ถ้าเรามาพวกเรามาวันอาทิตย์ก็จะมาเย็นวันศุกร์เช้าวันเสาร์เขาก็จะไม่ลงเขาก็จะอดอาหารเก็บตัวไปเลยแล้วก็จะลงตอนเช้าวันอาทิตย์ลงไปช่วยพระบิณฑบาตแล้วก็รับประทานอาหารที่ศาลาเสร็จแล้วก็กลับขึ้นมาพอนาะตอนบ่ายก็มานั่งฟังเทศต่อแล้วก็พอเลิกแล้วเขาก็ไปส่งเราแล้วเขาก็กลับกลับไปที่ ในคันจีนก็มาไกลเนี่ยทำได้ใน่ลายเข้ามาใหม่ๆเ็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยอันนี้กขมาช่วยดูแบบสร้างสาระท่านกุฏิเลนี่จริงๆแล้ตอนนั้นถ้าเขาได้มากราบท่านอาจารย์ก่อนก่อนเขาแต่งงานเพียงเดือนเดียวอ่ยบอกเขาบอกว่ากราบท่อยาบไม่ต้องไม่ต้องพอเขามากราบแล้วเขาแ้าแต่งงานไปแล้วแล้วก็ไม่น่าเลยเจอบว่ไม่ไม่เชื่อ ไม่เป็นไรหรอกเป็นวิถีของแต่งได้ก็เลิกได้ดาราดาราเขาเลิกกันเร็วจะตายไปบาแต่ง3เดือนก็เลิกกันละก็สมัยโบราณเขาให้กัหมออข้าวยังไม่ทันไม่เลยก้อนอะไรก้อนอะไก็ตั้งใจจริงนะนอกจากเขาก็ภาวนาได้เยอะปฏิบัติได้เยอะ แล้วเขาก็พยายามรักษาแล้วเขาก็มาทุกเดือนตั้งแต่เขาเสกไปนี่เขาก็ยังมาปฏิบัติเป็นจิตใจที่เขให้กับท่านไว้เพราะเราก็ต้องมีสัจใจบ้างนะสร้างอะไรไว้บา <c oughs> ้างที่อยู่ข้างบนนี้มาแกข้างล่างอรื่ส่วนใหญ่ก็บวชที่นี่ <c oughs> บวชที่ น, นี่แล้วก็ให้พักข้างพรรษาแรกให้พักอยู่ข้างล่างก่อน แล้วพอผ่านเพราะที่นี้เขามีกฎว่าเนถ้าเป็นภาใหม่พรรษาแรกนี้ต้องเรียนหนังสือในช่วงเข้าภรรษาเรียนาเป็นนวากะพระนาวากะเรียนานักธรรมตรีพอพอผ่านระยะที่นี้ก็ก็ขึ้นมาถ้าถ้าอยู่ในสภาพที่รับได้ก็จะให้เขาขึ้นมาถ้ามีกุติมีอะไรพร้อมก็ให้มขาขึ้นมามีอะไรอนใจอย่างนี้นในในในใน ตอนนี้มันที่มันกุฏิมันจะเหลือแค่สองหลังข้นที่ที่ว่างอยู่ก็ไม่เป็นไรถ้าใจเย็นๆก็พักข้างล่างก็ได้แล้วก็ขึ้นมาใช้แค่บ้างอะไรมาอะไรอย่างนี้ไปถ้ามันแค่มันเต็มต่อไปก็อาจจะเพิ่มแค่ก็ได้อาจจะไปหาที่ทำเพิ่มก็ได้ข้างล่างควาจริงตอนเย็นๆมันก็เงียบพอสมควรข้างล่ามันก็ไม่มีอะไรที่วัดไม่มีกิจกรรมอะไรต่าง แล้วเราคนที่บวชใหม่พักข้างล่างไปก่อนมันก็ช่วยปรับตัวเองได้ในระดับนึ่งเพราะข้างบนนี้มันมันอาจจะมากเกินไปคือน้ําก็น้ำปลาปลาก็ไม่มีไฟฟ้าก็ไม่มีเช้ามืดก็ต้องเดินลงไปแต่เช้ามืดแต่ถ้าอยู่ข้างล่างมันก็ยังมีน้ําปลาปามีไฟฟ้าแล้วตอนเช้าจะออกบิณตบากก็พอสว่างแล้วค่อยออกเดินไปที่สาราไปขึ้นแล้วไปบิณตบาก ช่วงกลางวันถ้าอยากจะขึ้นมาก็ขึ้นมาภาวนาเดินโยมกลมขึ้นมามาภาวนาช่วงเย็นก็เดินลงไปไปส่งน้ำ น, น้าข้างล่างไปภาวนาต่อข้างล่างได้คือความจริงวิญญาณนี้ก็ ก, ก็ก็ยังสงบถ้าเปรียบเทียบกับวัดที่อยู่ในบ้านในเมืองตอนตอนข้ามตอนเย็นก็สงบพอสมควรอี่แค่ตอนดึกนี่ไม่เงียบเสนิทนะสามทื่อสีทื่อ ม, มาไม่เงียบเสนิท อ, อ่าข้างลางลดลางก็ไม่มีวัน สำหรับ <c oughs> ท, ที่ข้างล่างเขามีกิจวัตรงนงบวชเช้าเย็ยนไห ว, ว้ทวัดเย็ยนแล้วก็นั่งสมาธิธมวัฒนเชา้าทํามวัดเย็ยนแล้วก็นั่งสมาธิกิจกรรมเหมืวัดบ้านก็กิจกรรมมันก็แล้วแต่สมมติกิจนิมนต์พระเขาก็พระที่เขาทำกิจนิมนต์เขาก็รับกิจนิมนต์ไปพระที่เป็นวิทยาก ร, รเขาก็รับอบรมเด็ก ที่ข้างล่างก็ยังทีมีเด็กโรงเรียนต่างๆมาเข้าค่ายกันมาทีละร้อยคน200คนก็จะมีพระเป็นวิทยากรสอนจริยธรรมสอนธรรมะพื้นฐานให้กับเด็กๆพระข้างล่างก็มีพระที่เป็นวิทยากรหรือพระที่เป็นพระสว่สวนพระส่วนก็รับกินนิมนต์ในสว่วน รับสังฆท า, านก็มี <Sie> ยอยากขึ้นบ้านใหม่ทงมูลบ้างการนิมนต์ได้แล้วก็พระสอน <S <S พระใหม่ที่จะมาบวชสอนหน้าการจะมาบวชเขาก็มีพระดูแลจัดการสอนการท่องอะไรต่างๆพิธีกรรมอะไรต่างๆเหล่านี้มันก็ <S <S 2> <S 2> <im> มันก็ดีเนะ่ถ้าใครใอยากจะปฏิบัติก็ขึ้นมาบุญท่า พูดถึงพระรับสังทางนั่นจะนีใครันจะเล่าให้ฟังว่าเราก็มีมนท่านท่ า, านเรียนเราว่าที่ ส, วส่วนใสริมทานเราไม่เราไม่ลงหรอกเพราะว่าเราไม่อยากแย่งที่ทำมาหัดกินของเคาท่านพูดตรงท่านพูดจรง ก็เราถึงบอกตอนนี้เราไม่รับกระถิ่นไงเพราะเราจะได้เปิดโอกาสให้คนอื่นก็ได้ได้เป็นใด้เ ป, เป็นเป็นประธานนะแล้วปีนี้เราก็ขอลาเรื่องเป็นประธานเรื่องนําเวียนเทียนนะทีนี้เราไม่ลงเวียนเทียนนะวันมาค่ะวันวิสาขะวันวันเข้าพารษานี่เราขอแล้วแก่และขอ ขอเกษียณอายุขอรีวะพาอไม่ไหวเพราะช่วงเช้ากว่าจะเสร็จภารกิจก็เกือบเที่ยงพอเกือบเที่ยงก็ต้องรีบลงไปลงปฏิโมกต่อแล้วก็ช่วงบ่ายถ้าไม่ไ ด, ถไได้ถ้าไม่ได้ห้ามญาติโยมก็ยังต้องรับญาติโยมจนถึง 4-5 สี่ห้าโมงไปมันจะไม่มีเวลาพักผ่อนเลยก็ลเลยตัดสินใจว่าทางเดียวก็คือเราต้องขอหยุดและเื่อนเวียนเทียนทุกวันนัน นั่นแหละวันะั้นแควันเดียวกันนะใช้ไบาตออกมาตอนเย็นอาก็วันนั้นเป็นวันวันวันเข้าพรรษาีก็มีสามวันวันมาคะวันวิสาขะอ่าวันวันวันเข้าอวันต่างบารเทวานี่ไม่แต่พอนีตอนเช้าตัดมินตาบาดไม่เป็นไรต้องมินบาดอยู่ทุกวันบินตาบาดยังไม่ได้ลาติ เป็นทำได้อยูต่อไปอาจจะลากิดที่ศาลาของบินตาบาเสร็จแล้วก็กลับหาไปหลบที่ไหนฉันเงียบๆคนเดียวนะ้องทีกว่าจะเสร็จแล้วเกือบเที่ยงคนนั้นก็เข้ามาคนนี้เข้ามายังไม่ทันได้ฉันเลยให้พรเสร็จคนนั้นก็คนมาทีหลังก็มาประเคนต่อเค้นต่อคนกินข้าเสร็จจะกลับก็มาลาต่อมาลาต่อมันไม่มีเวลาเลย บางทีวันนั้นก็อาจจะพอเทศเสร็จแล้วก็อาจจะเอาอาอาหารใส่จงใส่จานหรือใส่บาตแล้วก็ไปหนีเข้าไปที่กุฏิไม่นั่งชันเงียบๆคนเดียวแต่ <c oughs> ตอนนี้ก็ดีถ้าไม่ได้ไม่ต้องลงไม่ต้องลงเวียนเทียนก็ตอนบ่ายเอนงั้นอาจจะอาจจะรับแขกได้ก็ได้จะลองดูก็ต้องปรับไปให้มัน สมบูรณ์ทั้งกับเราทั้งกับงานที่ต้องที่ทําไม่ใช่จะทําแบบไม่มีประมาณนี้ไม่ไหวอย่างนี้เกีนป้ายที่กุฏิข้างล่างนะขออภัยไม่รับแขกที่จุดๆก็ดีช่วยได้เยอะไม่มีใครมาเคาะเรียกประตู พอยังของวางไว้เฉยๆก็ได้สร้างไว้เฉยๆนะเหมือนกันได้ถวายวจะให้พรนะกำวนแล้วทุกม์มากคิดอะไ่ี้ตออให้พุดโธก็ไม่ทำให้ยาก็ไม่กินก็แค่เขาคิด ถ้าทัวร์เขคิดอยู่ตรงนี้แล้วเขาออกไปจากตรงนั้นไม่ได้ก็ได้ใช่พุทโธเนี่ยเขาคำยังไม่ออกเลยเขาบอกอะไรเราทำไมไอ้คำคำคิดทําไมคิดได้ถ้าพุทโธเราคิดไม่ได้ทําไมโทรศัพท์มาได้อแต่เขาก็ยังโทรเบอร์คุยทําอะไรได้ทำไมต้องควาว่าพุทโธคําเดียวท่องไม่ได้มันยากตรงไหนไม่ยอมทําองเขาไม่ไม่ดีศรัทธาไม่เชื่อไม่เชื่อยาไม่เชื่อหมอ หมอบอกให้กินยานี้ไม่ยอมกินยาหมอพูดโทรพูดโทรไปทั้งวันดูไม่ต้องทั้งวันแหละถ้ามันพูดโทรได้ถ้าชื่อโมอมันจะเห็นความแตกต่างเลยาจมันจะโ่งมันจะเบามันจะลืมเรื่องต่างๆไปได้ไม่ทำเลยของง่ายๆแค่นี้จะทำาไงใช่หมมาหาหมอหมอหมอให้ยาไปไม่ยอมกินยานไม่เชื่อหมอ เป็นเรืนน่องของกรรมเราก็อย่าไปทุกข์กับเขาไม่เกิดปอยู่ย์อะไรทุกข์ไปก็ไม่ได้ไปแก้ความทุกข์ของเขากลับมาเพิ่มกับทุกข์ของเราโดยใช่เหตุอบอกเสมอว่ามองอะไรข้างนอกเราต้องกลับมามองข้างในว่า ภูณายของเราเป็นยังไงมองข้างนอกเราใจคเขาเราใจเราวุ่นวายเรามองไม่เห็ น, นปัญห า, าเรายังพยายามที่จะไปแก้ข้างนอกยิ่งวุ่นวายใหญ่พยายามจะไปแก้เขาดีแก้เขาไม่ดีก็ยิ่งวุ่นวายให่เราไม่เคยคิดจะแก้ใครเราแก้เราคนเดียวพอแก้ใจเราเดว แต่ใจเราใจเราวุ่นต้องทําให้มันหายวุ่นไห้ได้ใจมันทุกข์ต้องทาให้มันหายทุกข์ให้ได้ไม่ใช่ไปแก้คนนั้นแก้คนนี้เรื่องนี้เรื่องนั้นยิ่งแก้ก็ยิ่งวุ่นยิ่งยิ่งทุกข์ใหญ่<ม>ต้องเอาตรงนี้ปล่อยวางกันเลยอะไรจะเกิดก็เกิดอะไรจะเป็นบ้างก็ปล่อยก็เป็นไป<ม><ม>ทุกคนเยี่ยได้สุดมันก็ ก, กลายเป็นที่เท่าเป็นเสศษกระดูกไปทั้งนั้น แต่พระราชามาสกับลงมันจะต้างขอทานข้างถนนนี่เป็นเหมือนกันเหรือว่ากลายเป็นเศษขี้เท่าซ้ายเป็นเศษกระดูกไปไม่มองความสริกันนี้ถ้าจะมองอนาคตให้มองนี้เนี่ยหมอดูคนนี้ทํางานแม่นยำที่สุด ออกไปเพราะคุณจะกลายแต่กลายเป็นเศษกรกานไม่เชื่อทีนี้หมอคนนี้แม่นขนาดไหนก็ไม่เชื่อชอบไปฟังว่าจะมีคู่หรือยังจะได้คู่ดีหรือเปล่าอะไรก็อไเรื่องไรสาระชอบอันียวที่เป็นสาระไม่เอา จะสอนให้มอนามนุสติจะเรียนมอนานุสติเรามันจะหายกลัวไม่มีอะไรน่ากลัวแม้แต่ความตายก็ไม่น่ากลัวเพราะมันเป็นธรรมดามันเร่่องธรรมดาจริงจริเป็นธาตุสี่ไม่ใช่เป็นรา จริงๆแลบางทีจับพูดโธไม่ได้เนี่ยเป็นเพราะไม่มีสติเนงะินกันะครับผมไม่พูดโธไม่น่าจับกมันไม่พูดโทรทำนะไมเงินเงินเงินนี่มันคิดได้ทั้งวัน <c oughs> อดอกจะขึ้นเมื่อไหร่ดอกจะลงเ ม, <c oughs> มื่อไหร่นี่มันลงเร็วกว่านี้ธนาคารยังยังบไม่รู้เลยลูกค้ารู้ก่อนแนละ้วลูกค้าไปนู่นธนาคารแห่งประเทศไทยนู่น ว่าจะกินอาตาเทไหร่ธ น, นาคายังไม่ทันขึ้นเลยลูกค้ารู้ก่อ น, นทำไมเรื่องเงินมันคิดได้ตลอด24แต่พุทโทนี้คิดไม่ได้เพราะไม่คิดเดินมาคิดแต่พุทโทพุทธโทไปี่คิดแล้วสบายแ้วเราไม่อยากจะพูดต่อในเรื่องนี้น ไม่ยอมลกกันเลยอะไรแจไหมชอบหลอกให้เราคุยชอบหลอกไม่ชอบทักเลยไม่เราคุยนี่ไม่ยอมไม่ยอะไรเลยยมดูนาฬิกา